คิดว่าคงคงเสร็จกันแล้วนะคะถึงไม่เสร็จดีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราพูดในวงใหญ่กันต่อได้นะคะขอพวกเราเข้าวงใหญ่ค่ะเข้าวงใหญ่เลยค่ะยังไม่เสร็จดีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อ นิมนต์ค่ะเชิญนะคะเข้าวงใหญ่เลยค่ะ <laughs> ค, <c oughs> คุณแม่นั่งก่อนนั่งอยู่ก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องลุกบ่อยอไม่จาเป็นค่ะยังไงก็ได้ค่ะให้ให้เป็นวงเดียวแล้วกันนะคะออคุยได้สงสัยอัดอั้นมาหลายวันนะคะพ <laughs> อได้คุยแล้วก็คุยกันได้ไม่หยุดเลยนะคะ ก็ช่วงนี้จะขอให้พวกเราได้มีโอกาสแบ่งปันถึงสิ่งที่เราคุยกัน3ข้อนี้นะคะแต่ขอเริ่มทีละข้อก่อนละกันนะคะเอาข้อแรกนะคะขอพวกเราสัก7จ็ดแดท่านพอค่ะอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเล่าในกลุ่มนะคะเอาของตัวเองนะคะเมื่อกี้เพียงแต่ยอยากให้เราได้ฟังเรื่องของคนอื่นบ้างเท่านั้นเองนะคะแต่ขอขอสัก7จดแดท่านค่ะเชิญค่ะข้อแรกก่อนนะคะข้อเรียนรู้สําคัญที่ได้แล้วก็จะไปใช้ประโยชน์ยังไงเพื่อเตรียมตัวเราให้พร้อมกับความตายเชิญค่ะ นัองอุมนะคะน้องต้องเอาไอ้อ่อมค่ะขอภครค่ะเรียกชื่อกลายเป็นนัองอุ่มไปแล้วที่ที่ได้รับอะนะคะคือบทเรียนที่สำคัญคื อ, อ, อตอนที่ เ, เรามุดเข้าไปในมุดเข้าไปในมดลูกอะนะคะ<ม>คื อ, อ, อมันเป็นกิจกรรมที่ ต้านกับความรู้สึกตัวเองมากที่สุดเลยแล้วก็ไม่อยากทํามากๆเลยอยากจะลุกออกไปค่ะแต่ว่าไหนๆก็มีกิจกรรมอย่างนี้ให้ทําก็ฝืนใจตัวเองมากที่สุดเลยนคีคะมุดเข้าไปแล้วก็พยายามทําให้มันตลกๆเพื่อที่ตัวเองจะได้ผ่านพ้นไปได้ปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่ได้เยอะมากคืออย่างที่แชร์ให้ฟังคืนนั้นคือเกี่ยวกับความปรารถนาดีที่ได้รับแล้วก็มีที่เรามีส่งไปให้ ซึ่งโชคดีที่มีอันนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยวันที่ไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเขือไม่อยากจะจับเขาเลยคนแปลกหน้าซึ่งป่วยอยู่แล้วก็มีเชื้อโรคแล้วก็ใครก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็ไม่ได้อยากจะคุยกับเราคือเขาจมอยู่ในโลกของเขาเองใช่ไหมฮะอยากจะให้เราไปไปซะแล้วก็นั่งดิ้วอารมณ์อยู่หลายนาทีอะค่ะแล้วก็จะนึกว่าทํำยังไงดีก็นึกไปถึงอันนี้ค่ะว่า ไอ้ที่เราได้รับกับที่เราส่งออกไปเนี่ยแล้วก็พอมันมีอันนี้เป็นพื้นเนี่ยมันเริ่มมีอะไรที่จะส่งออกไปได้ก็เริ่มจับหัวหีผมอะไรเงี้ยทีนี้พอมันไปไปม า, ม, ามันก็เลยเป็นธรรมชาติอะคะ่ะพอพออันนี้เนี่ยมันก็เลยพอเราให้เขาจริงๆเขาก็รู้จริงๆแล้วก็ให้กลับมาจริงๆอย่างที่บอกก็จากคนแปลกหน้าก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วก็รู้สึก <os> ผูกพันเป็นห่วงจริงๆขึ้นมาแล้วก็บอกอยากมาเยี anyway, Maybe, <S S. ่ยมอีกเพราะอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่าบทเรียนสําคัญคือตัวนี้ค่ะแสดงว่าทําให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นว่าไอ้ความรักความเมตตาเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดถ่ายเทจากเราไปสู่คนอื่นได้ใช่ไหมคะเราเราสัมผัสได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราได้รับจริงๆใช่ไหมคะแล้วตรงนี้มันช่วยทําให้เราเป็นประโยชน์ยังไงคะถ้าเราจะไปใช้ในการเตรียมตัวตายของเรา มันมีมันมีส่วนที่โยงไหมคะใช่ขอโทษอ่ะพูดคนละเรื่องกันเลยมันอไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้คือคิดว่าในแง่ของตัวเองเนี่ยคงจะเพยายามเมตตาไอ้ความเจ็บปวดมั้งคะเพราะว่ามันเป็นศัตรูของเราแล้วเราก็เกลียดมันมากเลยเพราะเราอยากจะ ไปจากความเจ็บปวดอันนี้ค่ะทีนี้ถ้าเรามีอะไรดีๆไปให้เขามั่งมันก็คงจะลดความเกลียดของเราที่มีต่อต่อความเจ็บปวดถ้าเราเหมือนกับว่าสร้างภูมิให้ใจตัวเองให้มันนิ่มขึ้นไม่แข็งมากที่จะไปทุบๆกับมันเนี่ยมันก็คงจะคลี่คลายได้ดีขึ้นนะคะก็น่าสนใจนะคะว่าความรักความเมตตานั้นไม่ไม่จเป็นต้องให้คนอื่นอย่างเดียว ให้ตัวเองก็ได้รวมทั้งอาจจะความเจ็บปวดทรามานบางอย่างหรือแม้ทั้งเรื่องราวบางอย่างคือสมมติว่าเรามีอันนี้อยู่ใช่ไหมคะถ้าใครที่มีปัญหาเราก็มีอะไรให้เขาทีนี้ตอนที่เราเจ็บจะตายเนี่ยคนที่มีปัญห า, าคือเราเองอก็ให้เราแล้วกันเมตตาตัวเองะนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ฉ, ฉันญพีตุ๊กค่ะก็ะะสิ่งที่ได้เอ่อจากอเอ่อที่ข้อข้อหนึ่งบทเรียนที่ได้เนี่ยฮะ คือเมื่อวานนี้นะคะ่ะที่ไปเจอของจริงที่ที่บอกเนี่ยนอกจากความอิ่มเอมใจความเบิกบานใจในการที่เราช่วยให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วเนี่ยนะฮะก็กลับมานั่งพิจารณาอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดความรู้สึกคือไออัตราตัวตนของเราเนี่ยมันลดลงไปแบบมากเลยเพราะว่าคือขอเรียกว่าลุงเหอะไม่อยากเรียกพี่มีความรู้สึกว่า อแต่เราจําเป็นตน้องเรียกเขาพี่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าเราสามปีจะไปเรียกลุงก็ยังไงก็อะยอยู่แต่ว่าคือมีความรู้สึกว่าคุณลุงเนี่ยคนนี้เนี่ยทําให้เราคือเราไม่รู้จักเขาคือชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่เราต้องไปบีบไปนวดไปอะไรต่ออะไรให้เขาตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่ความรักและความเมตตาที่ให้เขาไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอกลับมานึกอีกทีโอ นี่เราลดอัตราตัวตนของเราไปมากเลยเพราะปกติเนี่ยโดยความเป็นตัวเราในตาแหน่งที่เราอยู่ในบริษัทใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะมันมันมีอัตราตัวตนโดยปกติของมันอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ทุกวันนี้ก็รู้ตัวก็พยายามลดไอ้ตัวนี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นเราค้นพบเลยว่าไอ้วิธีการตรงนี้เนี่ยนอกจากไอ้ความสุขใจที่เราได้ลึกๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าไอ้อัตราตัวตนของเรามันลดลงไป เลยเมื่อเช้ามาคุยกับสุ้ยว่าอยากไปเป็นอาสาสมัครเพราะว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีอีกอันหนึ่งนอกจากให้เรามีความสุขใจที่ช่วยเหลือคนอื่นเขามีความสุขแล้วเรามีความสุขแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือมันลดอัตราตัวตนของเราได้เยอะมากเลยอันนี้เป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันมีเยอะเนี่ยนะฮะแล้วมันยังไม่หมดแนตะมันยังต้องขัดเกลาออกไปเรื่อยๆตลอดเวลาเลยคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆก็ เป็นเป็นอะไรที่เรียลที่นอกนั้นมันเป็นอะไรที่เราสมมุติขึ้นมาอันนี้มันตรงมันมันมันใช่ค่ะก็ตั้งใจจะเป็นอาสาสมัครนะคะค่ะค่ะเอาจริงนะคะคุณเวตาเดียดจูค่ะเอาจริงอนุทนาค่ะเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะก็ความจริงให้คุนอื่นพูดดีกว่าถ้ากลุ่มเราเนี่ยพูดนะคะขอคุค่ะเชิญค่ะ เต้นก็พูดของเต้นเองก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็คือจากเมื่อวานนะคะจากประสบการณ์จริงได้ไปเจอผู้ป่วยจริงๆแล้วก็รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่แบบเป็นคนแปลกหน้าแล้วเราจะแบบว่าไปเพราะเต้นก็แบบไม่ค่อยเป็นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอเต้นออกมาจาก จากห้องนั้นนะคะซึ่งมีผู้ป่วยทั้งหมด48คนในห้องเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเองเดินได้ตัวเองแบบอะไรได้แล้วก็เริ่มรู้สึกแบบอภิเชษสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งแบบปกติก็แบบไม่ได้คิดว่าแบบมันดีแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าแบบเราะลึกไว้ว่าแบบอืมเรายังโชคดีอย่างนี้ก็ต้องแบบทําความดีไปเรื่อยๆแบบตอนที่ยังมีโอกาสแล้วก็แบบเหมือนกับว่า ถ้าแบบจะเตรียมตัวตายก็คือต้องแบบเหมือนกับไม่มีเรื่องค้างคาใจอะไรเงี้ยในช่วงที่ยังทำได้อตอนนี้เราก็ไม่ได้แบบแบบเหมือนกับเราโชคดีกว่าคนพวกนั้นทั้งหมดตั้งเยอะแยะแค่ไหนแล้วไปค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเต้นทันถัดไปเลยค่ะ จนะคะคุยกันในมีอันนึ่งที่คุยกันในกลุ่มแล้วก็ทุกคนก็คิดพยักหน้าเห็นพ้องกันก็คือความรู้สึกว่าเป็นบุญเหลือเกินที่ตัวเองได้ปฏิบัติทําให้ชีวิตมันไม่ยุ่งยากอย่างที่มันควรจะเป็นเวลาที่ต้องเผชิญความตายเพราะว่า<ม>การเรียนรู้จากที่อบรมครั้งนี้เราเห็นตัวอย่างกรณีตัวอย่างที่กรณีศึกษาหลายอย่างซึ่งถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติทํามั น, ม, น, ม, นมันต้องใช้ ถ้าคนจะต้องไปดูแลต้องใช้เทคนิคใช้วิธีการหลายอย่างมากเลยแต่พอถ้าปฏิบัติทำแล้วเนี่ยคนดูแลก็ง่ายตัวเองก็ง่ายแล้วยิ่งเห็นชาดจังกันที่ไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้กลุ่มไหนที่เจอคนที่ที่เขาปฏิบัติทำเนี่ยก็รู้สึกว่าง่ายทั้งเราทั้งเขาก็รู้สึกว่าเป็นบุญที่เราเราได้มีโอากาสข้กพเจ้าคุณท่านเชื่อค่ะ เชิญค่ะคุณดงแก้วเรน่นี้พูดไปถึงข้อที่บอกว่าเังนอยู่ข้นหนึ่งหรือไปข้ออื่นข้นหนึ่งนะคะก็บทเรียนที่ได้รับก็คือว่าเรียงรู้สึกว่าเราก็ยังประมาทอยู่ยังทำเรื่องที่ไร้สาระอยู่สมควรที่เรากลับไปนี่ควรจะจัดตารางชีวิตทำอะไรให้มันมีสาระมากขึ้นแล้วก็พยายามทำให้มันได้อย่างที่เรา ควรจะทําเช่นการฝึกหรือการสะสางหรือสละกิเลสอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเชิญค่ะข้อหนึ่งอีกสักสองท่านละกันค่ะที่หน้าค่ะค่ะ <c oughs> ที่คิดว่าได้เรียนรู้มากที่สุดก็คื อ, อเรื่องของความเคยชินกับการเจ็บปวดะนะคะเพราะว่าสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือความเจ็บปวด และนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าฝึกตอนแรกก็คิดว่าสมาถะนี่เป็นคําตอบของการแก้ความเจ็บปวดเวลาเราไม่สบายเอตอนนี้ก็พบว่าเออมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าถึงแม้จะมีสมถะดีก็อาจจะหนีไม่พ้นเช่นกันก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนช่วยในการเตริมตัวตายนอกสจากเรื่องของวิปัจฉนากับมรณานิสติและจะทํำยังไงคะเรื่องรอบไปเดินกลวดค่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ธรรมยาตรานะคะพระอาจารย์จัดทุกปีค่ะอ๋อเมื่อไหร่คะท่านหนึ่งถึงเจ็ดธันวาเดินถ้ำกลางแดดแต่ว่าต้องไปฝึกไว้ก่อนไหมคะท่านต้องฝึกก่อนไหมฮะเอาไปฝึกที่นู่นเลยเอาไปเจ็บที่นู่นเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเตรียมเยอะค่ะเตรียมใจไว้อย่างเดียว ล, ลุ่มน้ำลำปะทาวใช่ไหม่็เดินลงลรงสิงห์แหนล้อมแต่ว่าปฏิบัติธรรมเดินสงบปิดวาจาแล้วก็ได้เรียนรู้กับตัวเองเวลาดแดดเผาเวลาฝนตกทำไงคือคือเราเราเราเราไม่เราไม่มีเงื่อนไขอะไรมากบางคนก็เอาเสื้อมาคลุมเอาเอาเอาหมวกมาคลุมลยอะไรเงี้ยแต่ว่า พอพอเดินไปไปแล้วก็ชวนว่าลองทํำอะไรที่มันยากกว่าเดิมถอดหมวอถอดไม่กลางร่มแล้วก็ถอดรองเท้านี่ก็เรียกว่าได้บทเรียนไปเรื่องการเจริญสติว่าทําไร่จะอยู่กับเวทนาได้ขอสมัครเลยได้ไหมคะแต่ลําบากนะฮะเรื่องอาหารการกินที่หลับที่นอนนี่ะแต่่แตอายุเจ็บป่านฉะนั้นก็อายุจะเจ็ดสิบเอ็ดเยนะคะ <g ül> ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมคะโหยินดีแล้วเพราะเกือบ80ก็ยังมีคนเดินเลยฮะคนเดินเร <c oughs> ื่องแต่10บขวบ1นึถึงเธันวานฮะหะึ่งถึงเธันวาหน 1> 1ึถึงเธันวานขอลงชื่อจาก<น>วัดอัตามาลงไปปีปปที่แล้วไปถึงใจมดชยยัยภูมิแปดกว่ากิโลกี่กิโลนะฮะ81ดสเอ็ด <88 S 1> กิโลกี่วันคะ7วันวันละ10กว่ากิโลเองวันละสิกิโลโอเคสู้ส สู้สค่ะท่านคาเดินเดินเดินผ่านธรรมชาติผ่านชุมชนผ่านอาตมาเขียนบทเขียนบทเขียนประสบการณ์นี่ลงในซิกเตเล่มใหม่ตามอ่านนะคะออกเมื่อวานนีออเมื่อวานเนี่ยเชื่อเดินกลางแดดะสีไม่กลัวก่กี่กิโลนะกี่กิโลคะ เจ็ดวันจริงจริงแปดวันเจ็ดคืนพูดง่ายค่ะแล้วเราถ้าเราแบคแพกเราต้องเอาเสื้อน้อยอ๋อไม่ไม่มีมีรถขนให้อ๋อเหรอคะนึกเ่จะขออนุญาตไม่เปลี่ยนเสื้ออ๋อยิ่งดีเลยยิ่งดีอยากจะลองอย่างนั้นก็ได้ค่ะอ่ามันก็เป็นความไม่คุ้นเคยไม่ยังเป็นอ่ก็ถ้าไม่ไหวก็ใส่ค่ะถ้ารู้สึกดีอยากจะเริ่มถอดก็ลองถอดค่ะจะบอกว่า ขอขอบอาาข<ะ>คาณค่ะเชิญค่ะภระศรีสนใจสุดๆเลยในการเรียนรู้นะคะมันมันเรียนรู้เมื่อวานนี้อ่ะค่ะเ อ, อว่าเรียนรู้จากการเข้าไปเยี่ยมคนไข้ด้วยนะคะแล้วก็ก ก, การกลับมทาทะเลาะกับเพื่อนด้วยสองอันคือเรียนรู้อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยแปลกมากเพราะว่า ตอนที่เราเข้าไปหาเราจะเต็มไปด้วยความกังวลว่าแล้วฉันจะทำยังไงนะะมันเป็นการตัวตนเนี่ยชัดเจนมากเลยว่าโอ้แล้วฉันจะทำยังไงเราจะนะะอันนี้เป็นเป็นอะไรที่เราเห็นตัวตนเราชัดเจนมากมากเลยแล้วแล้วมันมันเป็นการเรียนรู้ในระหว่างที่ทำอยู่นั่นน่ะอยู่กับผู้้เนี่ยรู้ตัวเหมือนกันว่าเราจะถ้าเราจะตายเนี่ย เราจะต้องหัดวางตัวตนอันนี้ฉันจะทําอย่างไรนะะที่มันจะดีที่สุดแค่นี้พอกลับมาที่นี่ก็เถียงกับเพื่อนที่ลากมากเลยค <c oughs> ่ะไอ้ตัวกลมๆบนนั้นะนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาก็มาบอกเขาก็มาพูดเรื่องว่า เ, ออ เ, ออเขาถามซุยว่าจริงๆแล้วคอร์สท่านอาจารย์เนี่ยไม่เห็นต้องเงียบเลยแล้วแดนเธอวิ่งไปดคุคนนั้นคนนี้ให้เงียบอยู่เลยอ <c oughs> นะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยว๋๋ดีดีดียฉันฉนไม่ได้พูดถึงเธอฉันพูดถึงตัวฉันเอง เ, อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดถึงความกโกรธของตัวเองไม่ไม่พูดถึงความเลวของตัวเองไม่ใช่พูดถึงเธ <c oughs> อพบว่าไอ้ความกโกรธที่หลังหลังนี้มันมันคอ่อไม่ค่อยโกรธใครเท่าไหร่นะฮะเมื่อก่อนนี่จะเป็นคนขี้มโหเลวมากตอนนี้มันไม่ค่อยโกรธอะ่ะแต่มันมาโกรธทีทีทนะ่ะสองเรื่องนะคะ เรื่องหนึ่งก็คือว่าพอรู้ว่าแม่ตาเขาจะไม่มาวันที่ยีิบสามเนี่ยโกรธเลขาเขาทันทีเลยนะคะว่าทําไมเขาไม่จัดให้มันดีอะไรเงี้ยนะคะออแล้วก็เดนจับมาโยงได้หมดเลยนะคะว่าไอ้ตัวตนเนี่ยมันคือผู้ร้ายเธอฟังนะไม่ใช่ตัวตนเธอนะตัวตนฉันแต่เดี๋ยวทะเลาะ ก, กันเีงมันเป็นผู้ร้าย แต่มันเป็นผู้ร้ายในลักษณะที่น่าสนใจมากเลยคือมันเป็นผู้ร้ายที่แอบแฝงอยู่แล้วมันแข็งแรงมากคือมันเป็นผู้ร้ายเพราะว่าฉันรักเพื่อนคนนี้แล้วฉันรักน้องคนนี้นะฮะแล้วฉันจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนกลุ่มนี้คือตัวฉันมันใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็เราไม่รู้ตัวเพราะมันแฝงอยู่ดังนั้นมันจะเป็นจุดยังสงสัยนะคะบอกเอ๊ะหลังๆนี้เราไม่มีโกรธเลย คือคำว่าไม่มีโกรธเนี่ยมันมันไม่มีโกรธแบบ reactive อย่างเงี้ยทำไมมันมาโกรธสองเรื่องนี่อย่างขีดอ๋อแล้วก็มันก็เลยมาผูกติดกับไอ้การเข้าไปพบคนไข้ว่าแล้วฉันจะทำไงให้มันดีที่สุดมันเป็นตัวตนที่ที่ร้ายกาจมากเลยเพราะว่ามันเป็นหลงตัวไงฮะมันมาโยงกับคำว่าหลงตัวที่ท่านให้มามันอันเดียวกันเลยคือติดดีหลงดีแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ย จะต้องสําคัญจะต้องจะต้องทําให้เพื่อนฝูงปฏิบัติธรรมได้อย่างดีมหาศาลอะไรเงี้ยนะคะแล้วเออมันก็โยงไปอีกอย่างเราก็เลยทบทวนว่าแล้วเราโกรธอะไรบ้างหลังๆเนี่ยคนมาด่ามาว่าเดี๋ยวไม่คยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สามารถเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วหายไปอะไรเงี้ยนะอย่างสบายมากเลยอย่างเพื่อนฝูงบางคนเขาบอกเออน่าจะโกรธทาไมไม่โกรธอะไรเงี้ย แต่มันจะไปโกรธในเรื่องของคนที่เรารัก อ, อย่างเช่นสามีไม่กินยาเนี่ยจะโกรธมากเลยนะคะหรือสามีกินข้าวมื้อนี้มากไปเนี่ยจะโกรธแต่ทําไมโกรธใครเขาบอกว่าอะไรไม่โกรธไม่เข้าใจเลยค่ะใครจะมาขมโมยส ต, ตังหรืออะไรมันไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่มันไม่โกรธค่ะมันไม่มั น, ม, ม, น, ม, น, ม, นมันผ่านไปแล้วอะ ตมโกดไอ้เรื่องเหล่านี้ค่ะก็เลยก็เลยมาเรียนรู้ว่าจากการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะถ้าจะตายให้ดีเนี่ย น, นะคะมันจะต้องไม่หลงตัวซึ่งมันน่ากลัวไปกว่าไปโกรธไอ้เรื่องอื่นอีกดังว่ามันเลวสามมากอันนี้ เ, เรื่องที่สองที่เรียนรู้ในวันที่ท่านนำนำนำตายเนี่ย น, นะคะมันมันไป มันไปเรียนรู้ที่จะที่มันที่มันจะยอมรับการไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเพิ่งจะเข้าใจว่าเรากลัวตายนักหนาเพราะเรากลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ The u n k น o n แต่เมื่อคืนนี้เนี่ยเห็นชัดว่าไอ้ The u n k มันไอ้ความกลัว The u n k n o w เนี้ยมันน้อยลงมันรับการไม่รู้ไม่ได้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็ฝากไว้แต่นี่ฉันพูดเรื่องนี้เพราะฉันขอขมาเธอนะ ใน Public ค่ะ <N> ค <ike Republic> ่ะเชิญค่ะคือคือคือสิ่งที่ดิฉันต้องไปเริ่มพูกเขาเนี่ยเพราะห่วงเขานี่ก็เป็นความรักชนิดหนึ่งคือว่าเป็นเป็นเพื่อนที่รักมากนะ แล้วก็บอกว่าให้มาโยนบิสเนสแล้วก็เขาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวเขาเนี่ยแต่เขาใช้เวลาที่ที่เป็นดุกนูกนูกนกนี้อ่ะถ้าสามวันเขาไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยท่านเป็นห่วงเขาเหมือนกันวันนี้ไอความรักระหว่างเราสองคนเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วใช่ไ้ยว่ามันคืออะไรคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะพ่เศษค่ะค่ะขอท่านสุดท้ายค่ะข้อหนึ่งค่ะท่านสุดท้ายค่ะนีไหมคะนีไหมคะ ีหน่อยนิดนึงไหมคะคือนิ่งหน่อยนะคะสิ่งที่สุกิดใจมากทำกับท่านเนี่ยก็เพื่ออยากจะตายความมาต้องการกู๊ดเดส ต้องการจะให้ใจใจสุดท้ายจิตสุดท้ายมีเป็นกุศลเพื่อจะไปสู่ที่ดีๆพระอาจารย์ก็เลยมาเตือนว่านั่นหละคือตัณหาอันยิ่งใหญ่อันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากแล้วก็จะจดจำเอาไว้ก็เลยสิ่งที่ได้ก็คือว่าขอให้การปฏิบัติเจริญสติต่อไปนี้ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุดคือให้เปิดกว้างรับทุกอย่างที่เข้ามาแล้วก็ ให้มีแต่ไม่ได้เเป็นแล้วก็ให้ปล่อยให้มันผ่านไป <c oughs> โดยไม่หวังอะไรตอบแทนทั้งสิ้นค่ะเลขยางที่ได้จากการเยี่ยมคนไข่ามาวานเนี้ยก็เหมือนกับสีพูดเมื่อกี้เนี้ยว่าอัตราใหญ่มากว่าเราจะทำอะไรอย่างไรดีจะให้เขาสงบจะให้เขา จะเป็นประโยชน์จริงๆกับเขาแต่ขณะนั้นนะ่ะมันเป็นความคิดมันเป็นความนะึกคิดของอัตตาไม่ใช่คิดถึงเขาเลยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าถึงจะทำไปแต่คงไม่ได้ผลประโยชน์เท่าไหร่หรอกแล้วก็คิดว่าถ้าเผอเราเป็นเขาเนี่ยนะคะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย แลมะมาเรงอย่างร้ายแรงเป็นที่ตับเนี่ยและมันการเจ็บเนี่ยจะยืดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะท่องเจริญสติอยู่กับกายอยู่กับใจทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีเช่นนั้นหรือแลวถ้าเผื่อว่ามันต้องนอนอยู่เนี่ยเป็นวันวันเดือนเดนเนี่ยเราจะสามารถทำได้ไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ จักท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขอบคุณค่ะฟังคุณหญิงหน่อยแล้วทําให้นึกถึงอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มีอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยอะค่ะสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นเสมอก็คือความปรารถนาที่อยากจะช่วยเขาอันนี้มันแรงมากแรงมากจนกระทั่งมันไปไปคลอดสิ่งที่ตัวผู้ป่วยและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ผู้ป่วยจํานวนมากก็เกรงใจที่เกรงใจรู้สึกว่าเขามาดีก็ไม่อยากปฏิเสธ แต่อุดอัดใจเหลือเกินที่คนมันมันเคยไหมคะที่มีคนดีกับเรามากๆแล้วอุดอัดใจเหลือเกินเพราะว่าเราไม่อยากดีแบบนั้น่ะเราอยากจะมีมีพื้นที่ของเราเองอยากจะทําอะไรที่มันถึงมันไน้อยยิ่งใหญ่แต่เราพอใจมีความสุขนะแต่เขาไม่กล้าปฏิเสธนะคะนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้อย่างที่คุณหญิงนายบอกเลยคะ่ะก็คือมันต้องโอเพนทาร์กหัวใจเราต้องใหญ่มีพื้นที่มากพอที่จะเอาเขาเข้ามาแทนที่เราจะไปครอบเขา ะะซึ่งหมายความว่าตัวตนเรามันจะต้องเล็กลงด้วยมันถึงจะมีพื้นที่ว่างมากอย่างที่พระศรีบอกมากพอที่จะเราเห็นแล้วก็เอาความต้องการของเขาเข้ามาในตัวเราแล้วเราช่วยนะคะ่ะหมอนี่ค่ะนา น, นานถึงจะยอมพูดที <c oughs> คือมีอะไรแชร์ด้วยคือตอนที่สามีเสียชีวิตนะคะก่ อ, อนที่เขาเสียสัก ป, ประมาณวันหนึ่งเนี่ย พ่ อ, อก็เป็นแม ล, ลงที่ลําไส้ใหญ่ไปถึงที่ปอดอะไรและและถมเขาเป็นตอนนั้นหอบด้วยนะฮะหอบก็หายใจไม่ค่อยออกอยู่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มีนนมลูกน้องคนหนึ่งก็เป็นคริสและแม่เขาเป็นบอลในบอในเกนคริสเตียนวันๆเขาไม่ทําอะไรเขาก็ออกไปข้างนอกไปจก แ, จ แ, จแจกไอ้หนังสือคริสเนี่ยนะฮะก็พยายามให้ทุกคนเป็นคริสตอนนี้พ่อก็รู้ว่าพ่ออมจะเสียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเขาต้องมาช่วยทั้งที่ทั้งๆ ท, ที่ไม่บอกเราก่อน เขเข้ามาถึงเนี่ยเขาก็นั่งเขาก็สอนใหญ่แนละ้วเป็นคริสเตียนยังไงจะได้ขึ้นสวรรค์ซึ่งธรรมดาพ่ออมก็ไม่ชอบใครมายุ่งอยู่แล้วแล้วเวลานั้นเนี่ยเขาก็ยิ่งไม่ชอบคนมายุ่งแต่ผู้หญิงคนนี้ very very insensitive เขาก็พู่นเขาต่อเรื่อยๆและดูหน้าพ่ออมก็หอบมากขึ้นเราต้องเชิญเขาออกเชิญผู้หญิงคนนี้ออกก็ก็คือเราก็ต้องดูคนไข้นะฮะ ตัวเราเองเนี่ยต้องเซน i ิทีฟพอที่จะดูคนไข้ว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรไม่ใช่บอกว่าเรารักเขามากก็ให้รูปเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะทีนี้ได้ค่ะอยากจะแชร์เมื่อกี้นิดนึงนะคะพอดีไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะเป็นคุณแม่สิรินะคะท่านก็อันนี้เหตุการณ์นาแล้วท่านก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ รู้สึกว่าจะต้องให้น้ําเกลือหรือทําอะไรหลายอย่างแล้วพยาบาลเนี่ยก็บอกท่านว่าสงสารคุณแม่สิริอ่ะเพราะว่าอ่านหนังสือก็ไม่ได้นะครับแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่สิริก็ตอบว่าอันนี้คุณแม่มาเล่าอีกทีบอกว่าแม่เนี่ยคิดในใจว่าโอ้ยแม่มีงานทําเยอะแยะเลยที่จะต้องรู้ไปทุกขณะว่าะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆแล้วมันสนุกมากเลยลูกแต่ว่าไม่รู้จะบอกพยาบาลเขายังไง ว่าว่ามีงานข้างในอ่ะให้ทําในขณะที่เจ็บด้วยปวดด้วยอะไรต่างๆหลายอย่างก็เลยพอดีได้ยินพี่หน่อยบอกเพราะว่าถ้าต้องนอนอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยนะซิลิก็พูดด้วยความร่าเริงมากทั้งทั้งที่ตอนนั้นน่าเจ็บบอกว่ามีงานฐานะของปฏิบัตินะฮะเป็นมีงานแล้วก็ติดตามตามรู้รู้ปล่อยรู้ทิ้งเนี่ยไปอย่างหนุกอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไร คิดว่าอยากจะทำให้ได้แต่ว่านะคะค่ะได้ค่ะสุดท้ายนะคะคือกรณีคุณแม่เองอะนะฮะทีะ่ช่วงนั้นเนี่ยหมอก็บอกว่าคุณแม่จะอยู่ได้3มเดือนน้องชายเนี่ยที่เคยเป็นพุทธเนี่ยก็กลายเป็นคริสไปแล้วก็พากลุ่มมาพูดกับคุณแม่ใหญ่เลยแล้วก็พยายามให้คุณแม่เปลี่ยนศาสนาเพราะเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ย แล้วก็เชื่อมั่นในพระเจ้าจริงๆเนี่ยจะทําให้คุณแม่หายก็มาก็กลุ่มแรกไม่เป็นไรอีกเสาทิศคำนี้มากันแบบคือทั้งวันเลยคือวันอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยแล้วคุณแม่ก็เริ่มแบบไม่สบายใจแล้วแล้วก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะว่ามาพูดยังไงก็ไม่อินเพราะคุณแม่อายุ80ดสิบกว่าก็เลยไปบอกน้องชายบอกว่าอ่านหนังสือไอ้ทิเบตเช d เ a ทแอนด์ได้ยเนี่ยเขาบอกเลยว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยของชีวิต อย่าพยายามไปเปลี่ยนศาสนาใครไม่ว่าเขาจะเป็นศาสนาไหนก็ตามก็คือว่าต้องอรักษาอย่างที่เขาเป็นงนั้นอยู่โอเคนะคะข้ามาข้อสองค่ะใครที่คิดว่ามีจุดติดขัดมีปัญหาปัสสักที่คิดว่าเนี่ยเรากลับไปเนี่ยเราอยากจะไปคลี่คลายหรือทำให้มันดีขึ้นเพื่อเราจะได้เตรียมตัวตายได้ได้อย่างดีค่ะเชิญคุณแก้วก็ ขัดก็คือคงเหมือนคุณหญิงหน่อยนะคะที่ว่าเราก็คงยังกลัวเจ็บก่อนตายถึงแม้ว่าการมาอบรมนี้เราจะได้รู้สึกว่ามันคลี่คลายไปแล้วแต่ถ้าเผื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจและยิ่งถ้าระยะเวลามันเนิ่นนานขณะที่พูดอันนี้ให้กลุ่มไปก็ปรากฏว่าคุณอาเฉนี่ก็บอกว่าอยากกังวลเลยขอให้โทรบอกแล้วก็จะบินมาหาทันที จะมาช่วยแล้วก็รู้สึกพอได้ยินประโยคนี้ก็รู้สึกจะสบายใจขึ้นไปเยอะว่าอย่างน้อยก็มีที่พึ่งแล้วค่ะท่านอื่นค่ะเชิญค่ะข้อสองนะคะเชิญค่ะจชิญคุณหญิงอ้อยค่ะค่ะก็คิดว่ายังยังยังติดขัดอยู่ตรงที่เอ่อ อะไรอะ่ะต้องพยายามที่จะอโหสิกับคนที่เราแบบทําให้เราเจ็บเจ็บช้าน้ำใจอะ่ะอันเนี้ยที่ที่ที่ต้องพยายามหนักเพราะว่ายังยากมันยากคืออันนี้คงคงคงต้องคงต้องพยายามทนนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเราจะพยายาม ยังไงดีวันลนิดละนิดแบบแบบทําแบบที่ทํามาคือทําตายเนี่ยแล้วก่อนตายก็นึกถึงเขาเสี้นิดหนึ่งเอ๊ะวันนี้ฉันโอ้โหสิให้เธอได้หรือยังอย่างเงี้ยเราคิดทุกวันทุกวันนี้มันจะเกิดผลไหมแสดงว่าอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะทํายังไงใช่้ไหะวิธีการค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์ตอนท้ายอาจจะช่วยเติมเรื่องนี้นะคะค่ะท่านอื่นค่ะวิพาไหมคะไม่เหร อ, อ เชิญค่ะคุณคุณแม่ตาข้างหลังค่ะสิ่งที่ได้เมื่อคืนนี้นะคะก็ได้จากคุณหญิงอ้อยที่มันจะต้องกลับไปฝึกอะ่ะทุกคืนแล้วก็คือยังจำไอ้โมเมนต์ตอนที่เสียงพระอาจารย์นะพูดถึงเรื่องให้ทิ้งตัวเนี่ยนะ แล้วก็รู้สึกว่าก็เลยตั้งใจว่ากลับไปเนี่ยน ะ, ะฮะคือปกติสําหรับตัวเองเนี่ยก่อนนอนกลางคืนก็จะนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวันโดยเฉพาะนั่งสมาธินี่นะคะแต่ว่ามรณารุสติเนี่ยไม่ได้ทํามักจะทำจํำหลังจากไปเข้าคอร์สและพระท่านก็จะพู้เรื่องม ร, มรณามรณะรุสติเนี่ยก็จะกลับมาทําได้ไม่กี่วันแล้วก็ลืมไปนะคะไม่ได้ทําเที่ยวนี้ก็เลยตั้งใจว่าเอออันนี้เป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเราฝึกเอาไว้อย่างที่พระจันจิ๋วว่าเนี่ยสำหรับคนปฏิบัติแล้วก็เมื่อเราซ้อมถึงแม้ว่าณนะช่วงที่เราซ้อมเนี่ยมันอาจจะไม่มีเวทนาให้เราเห็นเนี่ยแต่อย่างน้อยไอ้สิ่งที่เราซ้อมทุกวันเนี่ยนะฮะทุกคืนเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เราเราสามารถทิ้งไอ้ร่างกายนี้ที่มันมันสังขารนี้ที่มันผุพังแล้วมันอยู่ไว้ได้แล้วมันต้องคืนให้ธรรมชาติไปแล้วเนี่ย เราก็จะได้สงบแล้วไม่ต้องติดยึดอะไรกับมันก็เลยคิดว่าคงจะต้องไปฝึกทุกวันอย่างหึอ้อยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็สิ่งที่คิดว่านี่คือต้องซ้อมอะไรก็ตามที่ซ้อมเนี่ยพอเกิดจริงเนี่ยอย่างน้อยมันก็คงจะได้เป็นประโยชน์บ้างนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะต้องซ้อมสม่ำเสมอด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะท่านอื่นค่ะั้เต้นนะคะก็ อุปสรรคของเต้นนะคะเต้นคิดว่ามันคือความกลัวค่ะเพราะว่าแบบอย่างเมื่อคืนเต้นก็นอนคิดดูแบบในพวกความทั้งหลายกิเลสทั้งหลายความอยากความกลัวความเศร้าความง่วงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆความง่วงก็ด้วย <c oughs> ความกลัวนี้แบบมามากที่สุดเลยเ อ, อย่างตอนกลางคืนนี้คือแบบชอบหลอกตัวเองเอะค่ะจิตมันจะแบบว่าไปแบบอย่ามองไปทางนั้นนะมันต้องมีขายยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็จะมองค่ะแล้วก็จะไม่มีทุกครั้งเลยค่ะแต่แบบมันก็กลัวแบบจนทนไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมขนาดนั้นค่ะก็คิดว่ามันเป็นอุปสรรคในการเตรียมตัวตายมากเลยเพราะเราจะข้ามไปในพอภพของของเขาแล้วก็เป็นพวกเขายิ่งกลัวเอ แล้วแต่มีมีคำตอบไว้แล as, here, tutaj, ้วยังคะว่าถ้าล้วจะทำยังไงดีอืก็เดี๋ยวต้องศึกษานนานค่ะ mm ก็ตั้งแต่เด็กค่ะกลัวมากแต่ก็จะคมเมื่อคืนก็เลยฝันร้ายเลยที่มีสองเพียงก็แม่ลูกเนี่ยห้าวันเลย แต่ว่าก็ข่มตานอนได้ทุกคืนนะคะแต่แบบก็หลับใช่ไหมฮะแล้วก็หลับค่ะค่ะที่บ้านไม่กลัวะคะ่ะที่บ้านอยู่ได้อยู่เมืองนอกก็ไม่กลัวค่ะเขอบคุณค่ะก็ คราวนี้อุปสรรคนะคะก็คงเป็นที่จิตตัวเองไม่นิ่งแล้วก็ไม่ไม่เป็นสมาธิเลย <g> ก็เขเข้าใจว่าคงยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ในหลายเรื่องอปีที่แล้วมาเนี่ยมีเรื่องเดียวก็คือว่าคอยเป็นห่วคุณแม่แต่ปีนี้เนี่ยไม่ห่วงเลยแต่ว่าก็ยังไม่นิ่งอยู่ดีก็คิดว่าคราวนี้โทษใครไม่ได้อุตส่ามีคุณแม่มาให้โทษแต่ก็โทษไม่ได้ก็ เป็นที่ตัวเองล้วนๆนะคะว่าว่ า, ว, าว่าคงคงไม่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆแล้วก็ยังยังตัดไม่ได้ยังวางไม่ได้ในใ น, ในเรื่องพอดีอาจจะพึ่งพึ่งเกิดแล้วก็ยังพยายามที่ที่จะเรียนรู้กับมันว่ายอมรับมันอย่างที่มันเป็นแล้วก็แล้วก็วางเพื่อจะตรงนี้แม้กระทั่งเมื่อเชา้านี้ตอนที่ท่านอาจารย์นำเนี่ย น, นะคะก็ คือหลับตาไม่ได้ต้องต้องลืมตาขึ้นมาแล้วก็อ๋อเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้นะซึ่งซึ่งอันเนี้ยค่ะมันมันจะต่างจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยมาเนี่ยเอ่อเหมือนกับสบายใจจิตพร้อมมาเนี่ยคือคืออยากให้คุณแม่มีโอกาสแต่ตอนนั้นก็รู้สึกผิดว่าเราบังคับเขามาแต่ในคราวนี้คราวนี้เนี่ยมันมันมันก็ต่างกันไปนะคะซึ่งซึ่งคิดว่าตัวเนี้ยเป็นอุปสรรคของขอสำหรับของตัวเองเนี่ยอย่างมาก ขอบคุณค่ะจะมีอีกสักท่านสองท่านไหมค ะ, <c oughs> ค, ะคุณแม่ไม่อยากพูดค่ะเอินค่ะ ค่ะแต่อคืออย่างนี้ค่ะเคยสงสัยว่าอาจ ะ, อ, ะอยากจะถามว่าเออผีเนี่ยพอพ อ, พอดีไม่กิน้ังเต็นก็พูด <laughs> ถามว่าผีเนี่ยนะคะมีจริงไหมนะคะแล้วตามที่พระท่านพระพระิธามหรืออะไรที่พูดแบบว่าพอเราจิต ด, ดับปุ๊บเนี่ยมันจะต้องไปเกิดในภพภูมิใหม่ทันทีใช่ไหมฮะ เดี๋ยวนั่นก็นยังสงสัยว่าถ้าเกิดในภพภูมิใหม่แล้วผีที่เราเห็นเนี่ยมันมีจริงๆอะนะคะผีอะเอ <c oughs> ไม่เผื่อที่น้องเต้นก็แต่มันมันมันมีจริงๆใช่ไหมคะเขาคือภพภูมิอะไรหรือว่าหรือว่าที่พระพิธรรมสอนเนี่ยคือเจ้าพระพิธรรมเนี่ยก็ไม่ได้เขียนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เขียนก็อาจจะผิดหรือเปล่าค่ะค่ะตรงนี้<ช>ค่ะอันนี้เป็นคําถามหนึ่งนะคะงั้นเราเข้ามาข้อ3เลยแล้วกันนะคะมีคําถามอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเรารวมๆแล้วก็ให้พระอาจารย์ตอบทีเดียวนะคะ ท่านจะจัดปีหน้ายังจัดอีกไหมคะแล้วปีละครั้งพอไหมคะแล้วก็เวลาฝึกอบรมเนี่ย เ, เรากลับไปปฏิบัติเองที่บ้านกับว่ารวมกลุ่มกันฝึกด้วยกันเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆบ่อยๆนี่อันไหนจะดีกว่ากันคะโอเคท่านอื่นค่ะ มีั้ยคะคำถามข้อสงสัยหรือข้อแนะนำก็ได้ค่ะคืออยากอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำอะค่ะว่าวิธีเจริญสติให้ต่อเนื่องอยากได้เทคนิค่ะคะคืออ่านมามากฟังมามากแต่พอปฏิบัติจริงๆมันก็ยัง ลุดวิ่นค่อนข้างเยอะอะค่ะค่ะก็ถ้ายังไม่มีนะคะก็จะขออนุญาตนิมนต์พระอาจารย์ออชเชนนิมนต์พระจิ๋วค่ะคําถามอันนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากหญิงอ้อยอคือคว่าวันก่อนก็คุยกับท่านอาจารย์ว่าอายุน้อยที่สุดที่ที่ฝึกเรื่องความตายเนี่ยเท่าไหร่ทนอาจารย์บอกสิบห้าแล้วเกงนึกถึงว่าเออจริงๆแล้วเด็กเนี่ยควรก็จะได้ควรจะต้องเรียนรู้เรื่องความตายเหมือนกัน ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าจําได้ที่คุณหญิงอ้อยทิ้งแล้วบอกว่าเนี่ยไม่อยากจะให้ไปตายที่บ้านเพราะว่าจําำว่าตัวเองเห็นภาพผุญยายตอนที่ตายาก็คือไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเด็กก็อาจจะต้องเรียนรู้เรื่องความตายเพราะาเขาก็ไม่ได้จะหลีกพ้นมันมันก็มีโอกาสที่จะเจอแล้วทํำยังไงที่เมอเขาเจอแล้วเขาจะไม่หวาดกลัวอย่างนั้นแล้วหลายๆครั้งที่คุยกับท่านอาจารย์เองก็เหมือนกันบอกว่าความกลัวของผู้ใหญ่เองนั่นแหละ ที่ไปใส่ให้เด็กก็ทํำให้เด็กกลัวความตายแล้วทําไมถึงกลัวผีก็เพราะว่าแม่เรากลัวผีอันนี้ยิ่งใหญ่คืออย่าง <c oughs> อย่า ง, อ ย, างอย่างหลายอย่างมันก็คือถ้าเราเรียนรู้คือนอกจากตัวเราเองคือจยิ่งมันเรื่องดีที่ว่าตอนนี้เราเราเราได้เรียนรู้เรื่องความตายคนอยู่ใกล้ชิดเราก็คงจะพลอยจะอันนี้ไปด้วยได้รับประโยชน์ไปด้วยแต่ว่ากําลังนึกถึงว่าจริงจริงเด็กเด็กเนี่ยแต่ว่า วิธีการเรียนรู้เรื่องความตายของเขาอาจจะไม่ใช่แบบเราอาจจะไม่ต้องมาเป็นแบบนี้แต่มันน่าจะมีวิธีการที่จะเรียนรู้ความตายแบบของเด็กหรือว่าเรียนรู้แบบง่ายๆหรือว่าอย่างมีเคยอ่านหนังสือเด็กของเยอรมันที่เขาจะต้องเผชิญความตายของคุณยายที่เขารักมากแล้วเขาจะมองมันยังไงเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้น อ, อันนี้ก็กเลยคิดว่าเป็นทั้งข้อเสนอนะและเป็นคําถามว่า ในการการที่จะเรียนรู้เรื่องความตายสํำนับเด็กเนี่ยควรจะทํำยังไงเอาสองข้อแรกก่อนแล้วกันค่ะเรื่องการลดตัวตนโดยเฉพาะเรื่องติดดีเนี่ยทำยังไงแล้วก็จะมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องการอาโหสิกรรมถ้าเรายังยังยังวางตรงนี้ไม่ได้เนี่ยจะจะจะทำให้คลายเรื่องนี้ได้ยังไงสองเรื่องนี้ก่อนนะอาจารย์ เอาเรื่องลดตัวตนก่อนก็ได้ค่ะคืออ่ไอ้ความติดดีนี่มันก็มันก็เป็นอุปทานที่คล่อมอยู่กับสองตัวที่ถุปาทานกับอัตตวาทถุปาทานใช่ไหมฮะที่ถุปาทานคือว่านี่ ดีความคิดนะคือเรายึดติดมาตรฐานความดีของเราเรายึดติดในความดีว่าต้องเป็นความดีแบบของเรานะอันนี้สงคำระหว่างศาสนาหรือสงคมระหว่างลทัทธิเนี่ยมันก็เกิดจากตรงนี้มากคือว่าก็เชื่อว่าศาสนาของฉันดีอย่างเท่านั้นนะศาสนาอื่นไม่ดีหรือคิดว่านิกายของฉันเท่านั้นที่ดีนิกายอื่นไม่ดี แล้วก็ในระดับประเจกบุคคลเนี่ยมันก็จะมีความคิดนี้มากว่าต้องดีแบบของฉันนะก็คือว่าต้องต้องอต้องปฏิบัติธรรมนะต้องสวดมนต์นะต้องนั่งสมาธินะถ้าสูบบุหรี่กินเหล้าอย่างนี้ไม่มีทางได้เป็นคนดีได้นะอะไรเงี้ยแล้วเมื่อมีความเมื่อมีอุปทานแบบนี้ก็จะพยายามให้ให้เขาเนี่ยได้ได้เป็นความเป็นคนดีที่เราต้องการ พอลึกเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเป็นของเราอยู่ด้วยลูกของเราเพื่อนของเรานะไอความสักเป็นของเราเนี่ยมันแรงถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนของเราไม่ใช่ลูกของเราเราก็ทําใจได้ใช่ไหมฮะเขาจะกินเหล้าสุบุหรีเราก็ไม่สนใจแต่พอรู้สึกว่าเป็นลูกของเราเพื่อนของเราครูของเราแม่ของเราไอตรงเนี้ยมันก็จะไปเสริมไอมันก็จะทําให้ไอที่ถูกประทานตรงนี้มันแรง ได้ตัวว่าของเราของเราของเราเนี่ยมันก็ไปไปยิงกับยิงกับตัวตัวทุกปาทานด้วยนะแล้วก็ลึกๆเนี่ยมันก็ติดติดดีก็ติดดีรวมไปถึงว่าอยากจะให้ให้ให้ฉันเป็นคนติดยึดในความติดยึดในความในความรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีและฉันต้องดียิ่งยิ่งขึ้นไปบางทีมันมีเรื่องของความเปรียบเทียบเข้ามาด้วยเปรียบเทียบว่าเออ่ ดีอย่างเดียวไม่พอต้องดีกับคนอื่นด้วยตรงเนี้ยตอนที่เวลาเราทําอะไรแล้วเราสึกว่าฉันต้องทําให้ได้ดีนะฉันทําให้สําเร็จนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอัตวัตุปาทานซึ่งบางทีเราก็เรียกว่าเป็นมานะมานะก็เป็นเกิดก็คือกิเลส ท, ที่เกิดจากการเปรียบเทียบเทียบเคียงสูงกว่าต่ํากว่าเก่งกว่าด้อยกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันมันมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอุ ป, ปทานที่ ที่ต้องที่ต้องรู้ทันนะแล้ะที่มันอุปทานที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะการที่เราไม่มีสติรู้ทันไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ถามว่าจะจะจะจะเรียก ว, ว่าจะจะฝึกให้ให้ระวังความติดดียังไงเนี่ยมันก็ต้องรู้ทันซชก่อนว่าไอตัวตน ไอตัวอัตตาเนี่ยมันมันไปอยู่เบื้องหลังไอความคำพูดหรือการคิดของเราอย่างไรนะเช่นไม่ว่าทำอะไรทุกครั้งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าจะมีตัวฉันอยู่เสมอนะหรือว่าเช่นว่าทาไงฉันกลัวกลัวกลัวฉันลุ่มเหลวกลัวกลัว ฉันอไม่ดีพอตรงนี้ต้องรู้ทันก่อนแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยบางทีต้องไปใช้ประเภทว่าอหัวเราะเยาะตัวตนนบ้างหรือว่าหัวเราะเยาะตัวตนหรือทําในสิ่งที่มันเข้าไปในเข้าไปเจอกับอะไรที่มันมันมันกระแทกตัวตน อย่างเช่นว่าบางทีเราติดเราติดดีในเรื่องไหนฮะเราติดดีเช่นเราชอบแต่งตัวให้สวยเราชอบทำอะไรให้มันดีเนี่ยบางทีเราลองลองที่จะท้าทายกิเลสโดยการแต่งตัวแบบสบายๆแต่งตัวแบบเรียกว่าไม่แบบเรียกว่าทวนกระแสกิเลสของตัวเองดูบ้างมันก็จะกระแทกตัวตนได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําเรียก ว, ว่าทารมานอัตตาแล้วกั น, นเวลาทำอะไรรู้สึกเสียหน้าโอ้โหเสียหน้าเลยนะ วัลยยอดมันว่า <c oughs> ดีใช่ไ ห, หัวะะัลยยอัวัลยยอดอัตราที่มันที่มันเสียหน้าคือถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราทุกข์ที่เราทําอะไรสิ่งที่น่าอับอายแต่ที่จริงไอตัวที่อับอายอย่างที่พูดมาชาญอย่างนั้นคืออัตราหรือว่าตัวมันนะวัลยยอดว่าเออเสียหน้าดีก็ดีเสร็จมังจะได้จะได้หายซ่าหายอะไรไปอันเนี้ยคือส่วนหนึ่งเราส่วนเราหาเรื่อง ทรมานอัตราส่วนนึงเราเอาประสบการณ์ที่ไม่ถูกใจไม่สมหวังเนี่ยมามาใช้มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทรมานอัตราการที่ตัวเองอยู่ในบริษัทเนี่ยเป็นที่รู้จักคนนับหน้าถือตาแต่พอไปหาผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วคุณเป็นใครเนี่ยอั น, นอันนี้เป็ น, น, นส่วนของการกทรมานตัวเองก็ที่ช่วจี้เนี่ยช่วคือการการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสาการณ์ที่มันมันลดอัตราเนี่ย มันก็ช่วยได้นะเช่นอย่างเช่นนักเรียนโรงเรียนที่ฉือจีเนี่ยนะฉือจีคงรู้จักนะเป็นที่ที่มีคนไทยตรงนี้ไปดูงานมากเพราะเป็นมุยที่ซึ่งเขาเขาเขาฉลาดในการปลูกเอาอกพลังความดีของคนออกมาได้มากมายแล้วแล้วก็ขับเคลื่อนหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องการศึกษาการแพทย์โรงพยบาลการการการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สื่อมวลชน โรงเรียนเขาก็มีชื่อแล้ววิเขาก็มีอันนึงเป็นเกิดเล็กๆคือว่านักเรียนเฉื่อจี้คนไหนที่เล่นเก่งเนี่ยหน้าที่ประจําคือขัดส้วมนะคือมันเป็นการลดอัตราของนักศึกษานักเรียนได้เป็นอย่างดีขัดส้วมและทางการก็ยกระดับให้การขัดซ้วมเนี่ยงานขัดส้วมกลายเป็นงานที่มีเกียรติใช่ไหมฮะมันก็มันก็มีผลประโยชน์อสองอย่าง าการที่เราเนี่ยไปเข้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันทำให้อัตราตัวตนเราเล็กล ง, งเช่นไปหาคนที่เราเขาไม่รู้จักเรานะหรือว่าเวลาอันนี้ก็จะช่วยได้หรือว่าเร า, เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้จักเราบาคนไทยชอบพูดว่ามึงรู้ไม่ว่ากูเป็นใครรู้แมมว่ากูเป็นใครอ่อรู้แหมว่าลูกใครนี่เป็นกันมากนะฮะแล้วกระทั่งลูกตำรวจก็เป็น คนดังก็เป็นนะอ่อและบางทีเราก็จะอยู่ในสถานที่เรียกว่าเราอึ้งเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเรานะมันก็จะมีความไม่พอใจว่ามันก็จะตะโกนกว่ามึงไม่รู้ว่ากูเป็นใครใช่ไหมอัดตามตมันตะโกนแต่ทันทีที่เรารู้เนี่ยเราก็หัวเราจะอัดตาว่าหัวเราอเยอตาว่าแล้วมึงเป็นใครใช่ไหมคือเงี้ยบางทีเราต้อง บางทีเราต้องใช้สาดหนึ่งเราไปอยู่ในสารเราไปอยู่ในสาการ์ที่มันลดอัตาราเราหรือกระแทกอัตาราเราหรือสร้างสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อกระแทกอัตาราเรานะหรือสองเราอาศัยสาการที่มันไม่ไม่ถูกใจไม่สมหวังเนี่ยมาเพื่อที่เราจะได้หัวเราเยอะอัตาราเพราะเมื่อเมื่อเมื่อตอนเมื่อวานเนี่ยตมาก็ได้พูดถึงแก้วน้ําน้ําที่มันไม่ทราบนะตอนตอนสเอ็ดโมง่มงอนสิบเอ็ดครึ่งอะพูดถึงน้ําแก้วที่มันใส่น้ําไว้เนี่ย บางครั้งที่มันดูใสเพราะว่าตะกอนเนี่ยมันตกมันตกตะกอนอยู่ใช่ไหมพอขย้เวขึ้นมาเนี่ยตะกอนก็จะฟูงขึ้นมานักปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีรู้สึกว่าตัวเองสงบนะรู้สึกว่าตัวเองสงบเพราะคิดว่าตัวเองกิตใจนี่ผองแผ้วแล้วกิเลสน้อยลงแต่ที่จริงมันอาจจะเป็นเพราะว่าตะกอนมันนอนก้นมันก็เลยดูเหมือนว่าน้ำมันใส แล้วเราทำยังไงใช้เชื่อว่าน้ำใสไม่ใสเราก็ต้องขยาวบางทีเราก็ต้องเขออ้าไปในสถาการณ์ที่มันขย่าวขยาวตัวเราขย่ากิเลสแล้วดูว่ากิเลสฟุ้งหรือเปล่าถ้ากิเลสฟุ้งก็รู้ว่า อ, อาจะต้องมีงานที่ต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ถ้าคนที่เป็นแต่ถ้าน้ามันใสจริงจริงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่นิ่งหรือหรือหรือขยา่ามันก็ ย, งยังใสใช่ไหมฮะแล้วเราคิดว่าบางทีเราต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันเจอสิ่งที่บีบคั้นลําบากพุ่นลําบาก เนะที่จะมาจัดธรรมญาราก็เพื่อเห็นนี้เพื่อให้ไปอยู่สถานที่มันมันลําบากทุกอย่างเนี่ยนะนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็ต้องเดินต้องทํางานต่างๆเพื่อมันเขยา่าแล้วนักปฏิบัติก็จะได้เห็นกิเลสแล้วก็จะได้ค่อยๆค่อยๆช้อนกิเลสเออกไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะแล้วก็มันก็จะคนก็จะใส่ไดนะ้อันนั้นนี่เป็นวิธีสองสามวิธี ท, ที่ที่อยากจะแนะนํา คือเราเราก็เราหวังดีได้แต่เราไม่เป็นต้องต้องโกรธก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วฮะเราเหรองั้นงั้นงั้นเราต้องแกล้งแกล้งแกล้งโกรธนะแต่อยโกรธจริงๆเพราโกรธจริงๆแสดงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของตัวตนแล้วว่าเขาว่าคนที่เราลักเขาไม่เชื่อฟังเราอันนี้เป็นเรื่องตัวตนเลยเขาไม่เชื่อฟังเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องอำนาจอย่างหนึ่งคือว่าถ้าลักเราต้องเชื่อฟังเราใช่ไหม มันมีทั้งตัวมันมีทั้งตัวเราแล้วก็ของเราด้วยเพราะถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เราเราเราักเราก็ไม่แคร์แต่เพราะเป็นคนที่เราลักคนที่เรายึดว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็เลยยิ่งต้องบังคับให้เขาเนี่ยหรือต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยดีอย่างที่เราต้องการดีแบบของเราหรือว่ามีความสุขแบบของเราไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันหรือเชื่อฟังเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นทั้งที่ถูกปาทานแล้วก็ตัวทุกปาทานซึ่งก็ ครานี้เราจะทําไงโอเคถ้าเรารู้ว่าถ้าเราถ้าเราไวไวเข้าถึงจะเข้าถึงจะกินใช่ไหมเราก็แก้งทําแต่ว่าใจเราสบายใช่ไหมเรารู้ว่าเราไม่ได้ทําเพราะาตัวเราไงใช่ไหมเราไม่ได้ทําเพราะว่าเพราะว่าตัวตนของเราแต่เราทําเพื่อด้วยความเมตาตากรุณาต่อเขาแต่แต่ตมาคิดว่าน่าจะมีวิธีอื่นที่นอกจากการแซงโกรธหรือว่าการทําเป็นโกรธนะมันน่าจะมีวิธีอื่นได้ด้วย มีมีมีอันนี้อาจตัวอย่างไม่เกี่ยวข้องกันนะแต่ว่ามีตัวอย่างคือมีคุณเดชบุรุษุกมั้งใช่ไหมบุรุกุลหรือบุรุษุกแกเล่าว่าเนี่ยพี่สาวนี่ชอบมาบ่นว่าแม่ของแกเนี่ยแม่ของคุณเดชนี่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลียเ้ยงลูกของลูกสาวไปเลี้ยงหลานอะ่ะแล้วก็สปอยใช่ไหมแม่บอกว่าไม่ให้กินอย่างนี้ยายก็ให้ก็ใ ห, ให้ให้กิน ก็มาปรึกษาคุณเดชมาฟ้องคุณเดชว่าทายังไงนะแม่คุณเดชเป็นคนที่เฮียบเห็นไหมแล้ววันนึงแกก็แกก็คิดได้แบบนี้แกก็วันหนึ่งแกก็นั่งรถกับแม่ก็คุยก็คุยก ค, คุยกับแม่เรื่องแม่นี่ดียังไงอย่างโน้อางงานอย่างนี้นนะแม่ก็ปลืม้มแม่กําลังฟูอยู่พอดีคุณเดชก็บอกแม่ทีหลังอย่าอย่าไปยุ่งกับหลานนะจะโกรธเลยนะลงจากรถเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่ลงฉันก็จะลงนะแล้วคุณเด็กก็ถามว่านี่ฉันเรียกแล้วแล้วแม่แม่แกแกไม่ลงเนี่ยแม่ก็เลยถามว่าฉันเรียกฉันเลียกเธอมาตั้งแต่เล็กใช่ไหมใช่และที่เธอสําเร็จได้นี่ที่ที่เธอไปอยู่นี้เรียกว่าเธอสําเร็จหรือเปล่าผมสําเร็จครับผมเชื่อชีวิผมสําเร็จสําเร็จเพราะใครสําเร็จเพราะแม่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะแม่เลี้ยงเธอใช่ไหมคุณเด็กก็เลยได้ช่องเลยก็เลยบอกว่าที่ผมดีก็เพราะแม่ แต่ถ้าให้ย่าเลี้ยงเนี่ยผมอาจจะไม่ดีแบบแบบนี้ก็ได้เข้าใจไหมฮะผมดีผมดีพ่อแม่ถ้าแม่ให้ย่าเลี้ยงถ้าแม่ให้ให้ย่าย่าเลี้ยงผมผมอาจจะไม่ดีอย่างนี้ก็ได้เยที่ผมเลี้ยงได้ที่ผมดีพ่อะแม่ไม่ใช่เพราะย่าหรือยายพอพอพูดอยนี้เขาเก็ตเลยนะใช่ไหมคือเนี่ยวิธีการเนี่ยบางทีก็มันก็ ก, ก็กระแทกกับตาได้ใช่ไหมแต่โดยที่ ไม่ทําให้รู้สึกเสียเสจอความรู้สึกเนี่ยแต่ว่ามันทําให้ได้คิดเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาใช่ไหมเอาเอาเอาความภูมิใจของแม่เนี่ยมาใช้เพื่อที่จะทําให้แม่อยอมรับความจริงว่าเฮ้ยให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้แม่เขาเลี้ยงลูกเขาดีกว่าเราจะไปเลี้ยงม้นเลยใช่ไหมเนี่ยคือบางทีไอ้อเคสแบบนีน้อาจจะมาใช้ไม่รู้น่าจะโยงได้หรือเปล่านะแต่ว่านี่คือธรรมชาติมนุษย์ไงใช่ไหมฮะ ค่ะเพาของคุณหญิงอ้อยค่ะเรื่องการอาโหสิกรรมผจะมาว่าให้อภัยโดยแผ่เมตตาหรือว่าแผ่เมตตาหรือว่าแผ่เมตตาโดยตรงอาจจะดีกว่าอาทําทําเรียกว่าเามตตาภาวนาอาจจะอาจจะอาจจะตรงกว่าไม่ทราบเคยเราเราเคยจัดวิทยเคยทําเคยทําเมตตาภาวนาแบบที่เราเชิญเข้ามา น, นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็คุยกับเขาโอบกอดเขาเคยทํำไหมครับ เคยทำเขาที่แล้วใช่ไหมอ๋อไม่ไมเราทําัคนที่เราเราเมตตาภาวนาที่นั้นแสงก็ไม่เคยทําอย่างอันนี้เป็นเป็นเมตตาภาวนาเราเชิญคนที่เราเกลียดหรือเขาที่เขาทำร้ายใจิตใจเรามาใช่ไหมฮะแล้วให้เขามานัา่งข้างหน้าแล้วเราก็ยิ้มให้เขาสัมผัสตัวเขาไปถึงกอดเขาแต่มันมีกระบวนการก่อนนั้นนะ แต่สรุปก็คือว่าเนี่ยทำอะไรเนี้ยซึ่งฮะหมายถึงว่าก่อนที่จะไปก่อนที่ไม่ก่อนพอพอเชิญเข้ามาเนี่ยก็จะมีค่อยๆมีกระบวนการขั้นตอนเช่นพักทายเขาเอาน้ามาต้อนรับเขานะไอ้จะพูดหมดพูดห้หมดมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่เก็ตน ะ, ะมันก็ค่อยพาไปเป็นเป็นโปรเซสมองมองในตาเขาให้ใหเห็นถึงความทุกข์ของเขา นึกถึงความดีของเขาฮะแล้วก็คือมันกระบวนการประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีอ่ะมันมันต้องมีนะฮะเพราะว่าก่อนนะคือไม่มีความดีต่อไม่มีความดีต่อเราแต่ความดีต่อคนอื่นเขามีไหมอ่าและมองเขาไปมองไปจนถึงความทุกข์ของเขามองไปที่ ความทุกข์เขาในอดีตความทุกข์เขาในปัจจุบันหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในอนาคตฉันอยากจะรวมถึงความทุกข์ที่เาก็ทำกับเราด้วยทีละคนทีละคนฮะ <c oughs> ทีละคน <c oughs> ทีละคนฮะ <c oughs> ทีละคน <c oughs> ตรงตรงนี้พระชนันมีบทเมตตาภาวนาอยู่ถ้าใครสนใจนะคะแล้ว ก, <c oughs> แวก็แล้วก็ถึงที่สุดก็เนี่ยก็สัมผัสตัวสัมผัสตัวเขาแล้วก็โอบกอดเ้าเลย อ่าใช่ตอนนี้มันยากฮะใ ช, ใช้การจินตนาการค่ะใช่อันนี้เคยทำกับเขาที่แล้วอาตมาเนี่ยคือย ก, ยกตัวอย่างนะเราก็ลองทำดู คือหลายคนเนี่ยเขาเขาสึกเข า, เข า, เขารู้สึกรู้สึกดีขึ้นกับไอ้เจ้าหมอนั่น mm hmm. รู้สึกดีขึ้นไม่ใช่ว่าดีหมดแต่ว่าทำไปบ่อยทำไปบ่อยเ mm hmm. นาะมันก็จะค่อยๆ ค, คลายเพราะว่าพลังของเมตตาเนี่ยมันก็มันต้องมันต้องมันต้องอะไรต้องบํารุงเลี้ยงต้องบ่มเพาะใช่ไหมฮะและ <And S 2> ที่มันยากที่มันยากเพราะอัตราเราฝืน mm hmm. เราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยเราต้องมองไปที่อัตราเนี่ยอาตาัตราเนาะ ฉันจะทรมานแกใช่เราต้ปูแม่ตาเราขึ้นมาเราปูแม่ตาของเรามาคือโปรเซสมันยาวเนี่ยสิบห้าทีเนี่ยพูดสั้นๆมันก็เลยสือว่ามันเป็นแค่สมองมันก็เลยรู้สึกมันฝืนน้อมต้องอสร้างบรรยากาศแบบเมื่อวานเนี่ยอันที่จริงนะคะจะช่วยได้มากถ้าคุณคิดถึงมันนะ ว่าจริงๆที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเขาแล้วทำเพื่อตัวคุณเองนะเขาน่าลืมมาตั้งนานแล้วละไอคนที่ยังแฮงอัพคือตัวเราเองทุกครั้งที่คุณทำ ค, คิดถึงเขาอย่างนั้นเนี่ยนะใช่ไมใช่คุณน้อยคุณน้อยเงินคุณเสียไปแล้วตั้งนานมากแล้วยังไงก็ไม่ได้คืน <c oughs> คุณ อ, อะไรนะความดนันคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ให้มันเป็นปัญหาของเขาอย่าให้มันเป็นปัญหาของเราไม่ดีกว่าเะรอคะนี่แสดงว่าเรายังเรารักเขานะไม่รักแล้วแล้วถ้าเขาทําเราจะทุกเดี๋ยงยังไงเพราะมันผิดเราเพราะว่าคนที่เรารักเนี่ยและทํากับเรางนี้เนี่ยมันคือเมื่อรักก็มีความคาดหวังเมื่อมีความเมื่อเมื่อมีความคาดหวังแล้วเขาไม่ทําเขาไม่เป็นไปอย่างคาดหวังมันยิ่งทุกข์ใช่ไหมเราเราคาดหวังเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่เป็นเพื่อนรักเนี่ยเรากคงไม่ทุกข์ขนาดนี้ เอาใช่ไงแต่เรามีความคาดหวังบางอย่างจากเรามีความคาดหวังบางอย่างจากเขาใช่ไหมฮะเรามีความคาดหวังบางอย่างอยงไงความน่าจะน่าจะไอความน่าจะมันทาให้คนเราทุกข์มากนะลกรอมันไม่น่าจะไฟแดงไม่น่าจะติดนานขนาดนี้นะโลกโลกร้ายไม่น่าจะเป็นกับเราเลยใช่ไหมหนังมันน่ะ เครื่องบินน้เครื่องบินหน้าจะถึงเร็วกว่านี้นะเพื่อไม่น่าให้งานเรานี่ไม่งานนี่ไม่น่าเป็นของเราเลยคนเราทุกขระความหน้าจ่านี่เยอะมากเลยก็จริงตรงนี้เนี่ยตุ้ยมีประสบการณ์นะคะอย่างที่พี่ออยว่าว่าแรกๆมันจะยากค่ะแต่ถ้าเราเชิญมาแรกๆเนี่ยมันก็จะเห็นอาการแบบแค่อยากจะเอาน้ําให้ยังแบบสบัดนึกออกไหมในจินดาภาพเนี่ยมันเหมือนกับเอาน้ําให้ก็ผักให้เฉยๆรู้สึกว่าข้างในมันยังไม่ยอม ยังไม่ให้ด้วยดีแต่ก็ไม่เป็นไรครั้งแรกได้ประมาณนี้แต่พอครั้งทําำครั้งที่สองทำอีกแต่เที่ยวนี้เราอาจจะตั้งจิตเมตตาอย่างที่พระจิว่าเขานี้เราจะนานขึ้นเราจะดูเราจะเราจะลองคุยกับเขาลองคุยกับเขาให้ดีขึ้นแล้วก็ลองทักทายเขาแล้วก็ลองใหม่ก็ลองก้าวข้ามไปอีกนิดนึงไปขยับไปเริ่มเริ่มทักทายเธอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลไกเราไปดีเลย แต่ยังไม่ลบออกจากใจก็ลองดูน่เป็นชื่อแล้วกันนี่เป็นชื่อแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาจากชื่อนั้นจากบุคลิกนั้นอ่ะนิมมนต์พระจค่ะคิดว่าหน้าลองคุณอก็มันมีกระบวนการอย่างที่ชจัรยร์ว่าแล้วก็ค่อยมันไปแล้วมันคือที่สาคัญจุดสำคัญที่ต้องชัดเจนคือว่าการเมตตาไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับการกระทําของเขาว่าเป็นสิ่งที่ดี มันคนละอันกัน mm hmm. เราเราก็ยังคงว่าสิ่งที่การกระทาที่ไม่ถูกต้องคือการกระทาที่ไม่ถูกต้อง mm hmm. ไม่ไ้ไหมายควาวาเมตตาเราจะยอมรับ mm hmm. เราลึกๆบางทีเรากลัวว่าพอเราเป็นเมตตาหมายความว่าเขาก็ดีสยงั้นเขาก็ไม่ต้องรับผลของเขาเขาได้รับผลของการกระทำของเขาแน่แต่การเมตตาคือการการปล่อยการการยอมที่จะเห็นเขาในฐานะที่เ็เป็นมนุษย์เหมือนกัน คือเวลาเราเมตตาเราเราไม่เมตตาเขาเนี่ยเราไม่ได้มองเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์ละเรามองเขาในฐานะที่เขาทําความผิดความไม่ดีกับเราแต่เราไม่มองเขาในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ถ้าคนที่เขารักตายเขาจะไม่ร้องไห้หรือว่าถือว่าเขาเจ็บไายได้ป่วยทุกทรมานอย่างที่คนเจ็บที่อยู่ในโรงพยาบาลอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาจะไม่ทรมานคือเรามองเขาในฐานะอย่างนั้นแล้วก็จะเมตตาเขาได้มากขึ้นแต่ไม่ได้ม่เมตตาไม่ได้หมายความว่า ยอมรับการกระทําของเขาทุกอยาก่างพราคิดอย่างนี้มันจะเมตตาจ ะ, จะทําได้ง่ายแล้วแต่มันต้องใช้กระบวนการาที่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเมตตาเลยอย่างเงี้ยอย่างที่ท่านอาจารย์อธิบายว่ามันจะต้องมีค่อยๆทําแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่ะขั้นสาวจจะมีเรื่องดีนะคะค่ะอ๋อมันมีเรื่องชีวิตอุดมคติของเสมสามวันค่ะถ้ า, า, า, น า, นานสนใจท่ะอาจารย์เป็นกระบวนการละต้องถามต้องถามเล็ก ม, มันจะมีมโปรแกรมอยู่ในเว็บไซต์ของเสมศิคาไลค่ะแต่ละปีเขาจะจัดเป็นช่วงๆไว้ก็พิมพ์คำว่าเสมศิคาไลในใน Google <Same S 1> ก็ได้<ส>ค่ะเดี๋ยวมันก็ออกก็อันนี้ต้องคุยกับทางนู้นว่าคิวมีไหม <c oughs> <c oughs> นะคะค่ะแต่ก็แนะนำให้ลองนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็อคอร์สนี้เกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ก็เรื่องของการเรื่องของว่า เส้นทางสู่ชีวิตวงกติการรู้จักตัวเองแต่ว่ามันอาจจะเป็นเบสิกนะแต่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่มันมันมันพยายามที่เอาตัว ต, วตวนออกมาแต่อาจจะต่างจากที่เราทำแต่การปฏิบัติธรรมอาจจะไม่ค่อยมีเพราะเวลาแค่สามวันค่ะฮะอาตมาร่วมด้วยพระอาจารย์เป็นเป็นหลักด้วยแล้วก็จะมีเล็กแล้วก็ทิม น, นะคะ อันนี้มีมีคําถามที่บอกว่าจ ะ, จะเจริญสติให้ต่อเนื่องได้อย่างไงอันนี้คือมันก็ต้องปฏิบัติในชีวิตประจําวันให้ได้นะฮะเราใหม่ๆอาจจะยากแต่ถ้าเกิดว่าเราซึ่งคุณหมออาจจะทําแล้วกคือว่าอาก่อนนอนนะฮะตื่นนอนก่อนนอนเนี่ยก็ทําแต่ว่าไอการที่จะทําให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันก็ต้องทําในชีวิตประจําวันมืออย่างที่นตมาบอกไว้สองวันก่อนว่าเหมือนกับการเติมน้ําใน ในในอง์อ่ะเติมเท่าไรแต่ว่าอง์มันรั่วมันไหลมันก็ไม่มีวันเต็มสักทีสติก็เหมือนกันบางทีเราตอนที่ก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นนอนเราปฏิบัติ ด, ดีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งสมาธิแต่พอชีวิตประจําวันเราก็ปล่อยปล่อยใจไปเรื่อยไปตามเหตุการณ์ไปตามสิ่งรอบล้อมเนี่ยมันก็ถัอว่าเติมน้ําไปครึ่งตุ่มมันก็รั่วหรือแค่หนึ่งในสี่ดังนั้นการที่ประคอง หรือว่าทําให้มีสติในชีวิตประจำมันก็สําคัญคราวนี้เนี่ยมันถ้าเกิดว่าเราทําจนเป็นนิสัยเนี่ยนะสติมันก็จะค่อยๆค่อยความระลึกรู้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นถี่ขึ้นถีขึ้น น, นะหลักมันง่ายๆคือว่าทําอะไรเป็นอย่างๆทําอะไรเป็นอย่างๆอาบน้ําถูฟันก็ทําเป็นอย่างๆ พอปกติคนเมืองจะไม่ได้ทำอะไรเป็นอย่างๆจะทำสองสาอย่างในเวลาเดียวกันเห่นไฮะอาบน้าก็คิดไปด้วยนะกินข้าวก็คุยโทรศัพท์ดูหนังสนทน า, ากันเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างๆเป็นอย่างๆเนี่ยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะมันก็จะทำให้เป็นการจริลสติที่เราการทำ ง, งานคือการปฏิบัติทำได้ไเวลาอยู่ว่างๆนะก็ตามลมหายใจคลึงนิ้วไป มีคนพยายามทำประเภทหลวงพ่อสติอะ่ะก็คือว่ามีภาพถ่ารูปแล้วก็มีเสียงดังทุกนาทีทุกสองนาทีทุกสามนาทีเพื่อเตือนสติอันนั้นก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมนะแต่หลังมีอยู่เท่านี้แล้วคือว่าทําอะไรเป็นอย่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเราเตือนสติอย่างนี้เนี่ยแม้แต่อิเล็กอิเลียบทเล็กน้อยกิจกรรมเล็กน้อยก็มีสติกับมันอะกินข้าวก็มีสติอยู่กับการกินข้าว ไม่ต้องหาเรื่องคิดนะนั่งรถก็อ่าเราก็คลึงนิ้วไปนะเดินก็อยู่การเดินแมนะ้ว่าจะเดินจะเดินขึ้นบันไดเดินไปทำงานเดินไปโรงครัวมีสติไม่ต้องหาเรื่องคิดเนะี่ยอาจารย์ว่าคิดว่าเอาเท่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การจดสติเนี่ยค่อยๆซึมซาบไปกับชีวิตประจำวันได้ แล้วคังเหรอทุกชั่วโมงแล้วก็เวลามีโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ก็มีประโยชน์นะที่หมู่บ้านพราเนี่ยเวลาโทรศัพท์มาเนี่ยจะต้องจะต้องหยุดทุกคนนะฮะแล้วก็สามครั้งถึงค่อยรับใช่ไหมปกตินี้เวลาโทรศัพท์ดังเนี่ยปฏิกิริยาแรกคืออะไรโผลเข้าไปโผถ้าเป็นโทรศัพท์บ้านนั่นก็โผไปเลยใช่ไหมวิ่งได้ก็วิ่งนะ แต่ถ้าเราเออเดินอย่างมีสติเดินอย่างสง่านะนะไม่ใช่มันเป็นนายเรานะเราเป็นนายมันเราก็ก็เป็นการเจรอสติอย่างหนึ่งได้หรือว่าเอาเอาสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันมันเป็นเครื่องเตือนเช่นไฟแดงเนี่ยซึ่งเราไม่ชอบเนี่ยเวลาขับรถเราเจอไฟแดงเนี่ยแต่เรามองมันสิ่งหมายว่ามันก็คือคําเตือนให้หยุดฟุง้งซ่านแดงปุ๊บหยุดฟุง้งนซะ่านแดงปุ๊บหยุดฟุง้งซ่านกลับมาสู่ตัวเอง เราก็จะรู้สึกเออแดงเท่าไหร่เราก็ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะ เ, เรื่องการเจริญสติเนี่ย น, นะคะคืออันนี้นี่พูดถึงคนที่ยังทำงานอยู่นะฮะทำงานทำธุรกิจเนี่ยหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็เขาไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรมากนะคะ ยังทําธุรกิจเนี่ยบางทีมีเรื่องที่มันน่าจะแบบตื่นเต้นมากมากมันก็ไม่ตื่นเต้นอนะฮะยังอย่างเช่นขาดทุนเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็แบบเลอะเออก็งันๆอะไรเงี้ยฮะกําไรก็งันงันขาดทุนก็งันงันแต่พักนี่ขาดทุนนะะก็ <laughs> ก็คนคนข้างเคียงอะนะฮะก็เขบอกทําไมที่จริงเราก็ไม่ค่อยมีให้ขาดทุนเท่าไหร่นะฮะเขาบอกเออทําไมพี่ไม่ตื่นเต้นเลยทำไมพี่ค่ะ you have to do something อะ่ะ ก็เลยยังมีคําถามอยู่ว่าตายถ้าเผื่อเขาเป็นห่วงตัวเองเลยน ะ, ะว่าตายแล้วอย่างนี้เธอจะทําิ่งนี้ยังไงเนี่ยนี <c oughs> ่คําถามว่าถ้าในการทําธุรกิจแล้วรู้สึกไม่ค่อยยินดีร้าไนมากมายไม่ค่อยอินกับสิ่งนี้เนี่ยแล้วก็จะไหวเหรอคะไหวคืออะไรธุรกิจจะไปรอดไหมะจะคือถ้าธุรกิจไปไม่รอดก็ตัวเองก็ไม่เป็นไรค่ะแต่รู้สึกเอ้มันไม่แฟกับ ทุกคนอื่นหรือไม่แฟกับลูกน้องเลยนะอย่างนี้เธอเธอเขาจ้างเธอมาให้อินแล้วเธอไม่อินอย่างเงี้ย <c oughs> เออเราควรจะพิจารณ า, าตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคะือไออันนี้พูดถึง ท, าง ก, าทางการทำงานทั่วไปนะ ม, นมันมันมีโมทีฟหลายอย่างโม t i v a t i o n เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการมุ่งสวยหากําไรสูงสุดหรือว่าการมุ่งที่จะให้ฉันได้มาก บางทีการทําอะไรที่มันท้าทายการทําอะไรที่เราคิดว่ามันจะช่วยอินโนเวทหรือสร้างสรรค์อะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีคนเขาก็มีแรงจรูงใจที่จะทํามีแรงจรูงใจเพราะเหตุนี้ก็เลยทําเต็มที่ใช่ไหมฮะอันนีมน้มันก็ได้เหมือนกันอะไรค ะ, ะทำงานดีขนาดไหนถ้ามันไม่อยู่รอดมันก็ไม่มันก็ไม่ใครได้อ่ะคราวนี้เราทํำไงถึงจะให้สมมุติว่าเราเราทำเพราะมันท้าทายเนี่ย แต่ว่าทํางานให้มันในเมื่อมันท้าทายแล้วเนี่ยมันก็มันอยู่รอดได้คือให้มันให้มันแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แรงจูงใจหลักของเราใช่ไหมเราจะคิดว่าไอ้ฉันมีเงินเยอะๆแล้วฉันจะมันเหนื่อยทําไมแต่ฉันทําเพราะว่าอมันเป็นสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่สร้างสติปัญญาสิ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างคนรวยหลายคนเขาก็มีเงินเยอะใช่ไหมแต่เขาก็อยากจะทํำอะไรที่มันมันตอบสนองอุดมคติของเขาอย่างเช่นไอ้ที่ท้องทรายอะไรเนี่ยที่ สมุใช่ไหมเขาก็รวยนะเขาก็มีที่เป็นพันธ์นไร่เขาก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทํางานเดี๋ยวเขาทําไมแน่นอนเขาไม่ได้ทำเพื่อกำไรแต่เขาก็ทําแล้วมีความสุขนะแต่ว่าเขาเหนื่อยเขาก็อาจจะต้องกลับมากรุงเทพบ้างแต่ก็ยังมีโม t i v a t i o n ที่จะทําอยู่แต่มาคิดว่าเราลองคิดว่าทำงานเราจะมีมีแรงจูงใจทางอื่นที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเรื่องของเม็ดเงินล้วนๆเนี่ยซึ่งก็จําเป็นแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแรงจูงใจหลักของเรา เฉพาะในเคสเนี่ยนะคะท้อเคสของตัวเองเนี่ยตัวเองรู้ว่าทำไมถึงทําแล้วก็ยินดีจะทํากําไรหรือไม่กําไรก็ยินดีจะทําแต่เป็นห่วงธุรกิจว่าถ้าผู้นําเป็นซะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันสงสัยน่าจะไปหาคนอื่นมาทำน่าจะง่ายกว่าน่าจะดีกว่าหรือเปล่ปาเพราะว่าเอา่อเหรอไม่กําไรก็เออก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะดีมั้งคะามาเต็มที่แล้ววะเต็มที่พอเต็มที่ก็ได้มีความสุขนะเพราะว่าถ้าคนอื่นทํา ก็อาจจะได้ไม่ดีเท่าเราแต่ทุกกว่าทุกก็ได้แต่สงสารธุรกิจอะค่ะก็ถ้าคนหนึ่งเขาทําแล้ว <c oughs> เขาทําเต็มที่แล้วเขาก็ก็คงไม่น่าจะดีกว่าเราอะแล้วฮอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วและ <c oughs> ป, ประเด<ร><ร>็นนี้อยากจะโยงมาที่ประเด็นที่อาจคุณหญิงหน่อยพูดว่าบางทีมันมีเวลาที่เราตั้งเป้าไว้อย่างเช่นเราอยากจะ good d a เดทพีซฟูลเดทหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เรามีกําลังใจมีแรงที่จะอยากจะปฏิบัติทำอยากจะทํานู่นทํานี่เพื่อให้เราไปถึง แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีด้านตรงข้ามเพราะว่ามันก็ทําให้เรายิ่งอยากได้ยิ่งยิ่งเคร่งคาดกับตัวเองมันก็ไม่สบายสบายมันก็เลยตรงนี้จะรักษาสมาดุลยังไงคือเราต้องใช้มันนะไม่ใช่ให้มันใช้เราเราใช้เป้าหมายเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเพื่อจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราให้เราทําใช่ไหมแต่ถ้ามันใช้เราเมื่อไหร่เนี่ยคือนอนก็ไม่หลับทำงานก็ไม่มีความสุขเพราะไปไม่ถึงเป้าหมาย ันนคือนนี้ <chaotic> oh, okay okay everyone, ่ไม่ได้ทํามรณะสติก็เครียดแล้วโทษตัวเองนี้ยมันใช้เราแล้วแต่ถ้าถ้าเราใช้มันเนี่ยเราใช้เพื่อกระตุ้นให้เราขยันเออบางทีเราอาจจะเป็นคนขี้เฉยถ้ามีถ้ามีถ้ามีพาเก็ตมันก็ขยันขึ้นมาสักหน่อยแล้วพเราเป็นพวกมุ่ง achievement นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไรถึงจุดที่ว่ามันใช้เราเนี่ยเราแย่แล้วแล้วคนส่วนใหญ่นี่ให้มันใช้เราเนะยให้ให้พาเก็ตมันใช้เราให้ให้ให้ความคาดหวังมันใช้เราไม่ใช่เราใช้มันเอาไา้เชื่อจุดอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ปล่อยวางไปเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นคือคือมีเป้าได้แต่ไม่ยึดเป้าแต่ให้มันแต่รู้ว่ามันมีประโยชน์เพื่อที่จะกระตุ้นเราอย่างไรเหมือนกับว่ามีทรัพย์ผู้เจ้าบอกว่ามีทรัพย์ก็เราก็ต้องใช้มันไม่ใช่มันใช้เราใช่ไหมค่ะโอเคค่ะมาคําถามน้องเต้นกับพี่นุชค่ะเรื่องผีเวลารู้สึกกลัวผีทํายังไงดีแล้วก็คือกลัวแล้วก็ตามเนี่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมวันที่สองว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวมีแตจริงที่ต้องเข้าใจ เราจะเข้าใจได้ยังไงกลัวความมืดก็ต้องเข้าไปอยู่ความมืดกลัวศอกก็ต้องไปไปไปอยู่ใกล้ศอกใช่หไหมกลัวตายก็ต้องไปสัมผัสความตายก็ไปไหนแล้วเนี่ยอ่า <laughs> อาแล้วอย่างที่เต้นก็บอกว่าเวลาคิดว่าจะต้องมีผีแล้วก็พยายามตอนแรกไม่กล้าดูแล้วก็พยายามเข้าไปดูแล้วมันก็พบว่าไม่มีอะไรตรงนี้นี่เธอช่วยไหมคะช่วยก็ถ้ารูกเสืไม่มีอะไรจริงๆก็ช่วยคือตก็สมัย ก, ก่อนบวชพระยังกลัวผีเลยนะ <Okay. S 1> แต่ว่า จำได้เลยว่าหวยเวลาฮะเวลาเดินกับวัดเดินกับกุฏิคนเดียวกลางคืนเนี่ยทุ่มหนึ่งนี่เราก็เสียวล้วแต่ว่าตอนหลังก็พยายามอยู่ปฏิบัติคนเดียวนอนคนเดียวนอนนอนกลางปรดนอนไม่ใช่นอนในกุฏิกลางกรดนอนก็อยู่กับมันอ่ะก็มันก็ มันก็มีเป็นระยะๆะะแล้วมันก็ค่อยคลายไปแ ต, แต่ก่อนเสียงใบไม้ตกก็สะดุ้งนะอะคือความกลัวผีเป็นทุกคนก็เป็นอย่าบอกเขาเลยมันไม่ไม่สิ่งผีปกตินะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะกล้าเผชิญกล้าที่จะทดสอบหรือกล้าฝึกตัวเองไหมด้วยการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เรากลัวอันนี้ผู้เจ้าสอนเลยกลัวกลัวอะไรไปอยู่ตรงนั้นฮะ ไม่เคยเห็นไม่ใช่เหรอใช่ ใช่ค่ะเลลออใช่ <c oughs> ดี<แ>อยากไป<ะ>ที่วัดเรียนถามเรื่องวิญญาณเนี่ยนะคะ เพราะว่ามันจะมีปรากฏ น, นั่นนะไม่เจอเคยเจอนะคะแตเคยอ่านหนังสือพิมพ์อย่างเช่นว่าวิญญาณของอ่ะอย่างเรื่องจริงสองสเรื่องเนี่ยนะคะอย่างวิญญาณของลูกที่ถูกฆ่าตายนะคะแต่แม่อยู่เมืองนอกนะคะมันมาเป็นข่าวเลยะครัเพราะว่าตอนหลังแม่มาม า, มาอะไรรู้สึกจะตีหัวหรือว่าค่าคนเดี่ยเพราะว่าแม่อยู่เมืองนอกแต่เป็นลูกที่รักมากและเด็กเนี่ยถูกฆ่าตายขโมยรถอ่ะเพื่อนในขโมยรถ วิญญาณลูกเนี่ยไปบอกแม่อันนี้เคสหนึ่งนะคะอีกเคสหนึ่งที่เคยปรากฏเนี่ยในหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่เขไม่ได้ลงในแง่ของวิญญาณแต่ลงในแง่ของของขอ ง, ของสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะนะคะของคดีนะคะอีกเคสหนึ่งคือเนี่ยเออผู้ชายคนนี้ถูกถูกฆ่าตายแล้วหมกอยู่ในป่าเนี่ยค่ะแล้วตำรวจหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะหาไม่เจอแต่วิญญาณของของคนเนี่ยคะ่ะข้าไปเข้าปันแม่ ว่าเขาอยู่ถูกหมกอยู่ตรงนี้แม่เนี่ยพาตำรวจมาเจอขุดจอบเจออีกอันหนึ่งก็คือเด็กกันค่ะที่มันไป เ, เล่นนะค ะ, ะเด็กผู้ชายไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็จมน้ําตายใช่ไหมฮะแล้วแม่ก็เที่ยวหาห า, ห า, หาก็ก็ไม่เจอใช่ไหมฮะแต่เด็กเนี่ยมาเข้าฝันว่าเด็กเนี่ยจมน้ําตายแต่ที่ไม่เจอศพเนี่ยเพราะว่าขาของเด็กค่ะมันไปติดอยู่ที่รากไม้ค่ะก็จุดตรงนั้นนั้นๆ ก็ไปเจอแล้วก็ยังสงสัยว่าเอ๊ในในหลักพระพิธรรมหรือเนี่ยก็บอกว่าพอจุติจิตคือจุดจิตที่ตายใช่ไหมจุติจิตจปับ๊บตายปั๊บเนี่ยมันจะไปประส่นที่ทันทีในราะแล้วทำไมวิญญาณพวกนี้คืออะไรคะไปไปอยู่ทําไมมั น, ม น, มนยังอยู่คือค่ะคืออันนี้ก็มันก็เป็นความแตกต่างระหรว่างเทรวาแบบกับพิเบต น, นะ ที่เบรคเจะพูดมีว่าชัดเจนเลยเขาจะมีเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าอันตระพบหรือว่าบาโดอันตรภพคือว่าพบที่พบที่พบที่เพิ่งตายใหม่ๆกับพพที่จะไปเกิดมันจะมีอันตรภพบซึ่งโดยเฉลี่ยประมาณสี่สเก้าวันที่จะอยู่ในอันตรภพบนั้นก่อนที่จะไปไปเกิดนั้นอันตรภพเนี่ยอย่างที่สมมาพูดเมื่อวานเนี่ยมันจะจะ จะจะเหมือนกับฝันคือเป็นกายทิพย์นะเวลาเราฝันนี่เราก็นึกไปไหนเราก็ไปได้ในช่วงแรกจะจําไม่ได้ว่าตัวเองตายจะไม่รู้ตัวเองตายแต่สักพักเมื่อรู้แล้วเนี่ยจะยังจําพบของตัวเองได้พ บ, พ, บ พ, บพบก่อนที่เราจเนี่ยก็ประมาณสามอาทิตย์ในสามอาทิตย์แรกยังยังจําได้อยู่ว่าพบตัวเนี้แต่ก่อนนั้นนี้พบก่อนนี่คืออะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะโดนแรงกรรมที่ต้องไล่ทุกที่ต้องวิ่งไล่ล่าเพื่อที่จะหาพบ นะซึ่งก็ต้องไปสู่ไปเกิดตรงเนี้ยทางที่เบสท์บอกว่าเนี่ยเมื่อในเมื่อมันมีนมอันตรภพอยู่เนี่ยโอกาสที่จะยังบรรลุธรรมยังมีอยู่แต่น้อยมากอันนี้ต่างต่างจากเทโลว่าแต่เทโลวามันมีแนวคิดเรื่องสัมพเพวสีสัมพเพวสีคือว่าสแสวงหาพบเกิดสัมพเพวสีความหมายนึ่ก็คือเราทุกคนเนี่ยที่ต้องต้องเยียว่าใจเกิดใช่ไหมฮะพวกเราเนี่ยคือสัมพเพวสีเพราะต้อง ม, ตองมีต้องมีหาพบเกิดอยู่เรื่อยไปแต่ความหมายนึงซึ่ง ความหมายในระดับที่ลึกกว่ันนะคือว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันยังไม่มีพบเกิดไม่ต้องแสวงหาที่เราชอบเรียกพวกสัมเพสีเนี่ยใช่ไหมถ้าอตาตมาก็ไม่แน่ใจนะไอ้สัมเพสีเนี่ยในถ้าตรงนี้เนี่ยมันก็ใกล้ใกล้เคียงกับที่ไทยว่าพูดถึงเรื่องบาดโดอันตรภพนะแล้วตรงนี้อาจจะคือผีเนี่ยที่ยังวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดเนี่ยก็จะ อาจจะมาสื่อสารอะไรกับเราหรือว่าจะมาปรากฏ ต, ตัวต่วตวางๆคือโดยมันก็มึงอายุคนนะอายุคนเนี่ยนะโดยเฉลี่ยใช่ไหมอายุขัยก็เจนะ็ดเจ็ดเจดหเจ็ดิปีใช่ไหมแต่บางคนหนึ่งปี5วันก็ตายบางคนร้อปีถึงตายวันนั้นอย่างไรเความว่าอันตราพจนในวงโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือประมาณ49วันใช่มเจ็ดก็50สิบวันนั่นแหละ like. แบบที่เราชอบทําบุญห้าสิบวันนะแต่ว่าบางคนก็เร็วกว่า น, นั้นบางคนก็เป็นปีก็มี ไอพวกเป็นเปี炎หนักมากเลยมันก็โดยทฤษฎีมันก็น่าจะมีนะแต่ว่ามันก็น่าจะน้อยคือมันก็ธรรมดาในโลกนี้เวลา เวลาเช่นแบบเดินธรรมยตาเนี่ยเดินมนโดนบนโดนบนถนนที่กำลังร้อนเนี่ยหนึ่งวินาทีมันนานเหลือเกินใช่ไหมแต่ว่าเราสบายๆเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมันเร็วมากนี่มันธรรมดาคนที่จิตที่มันตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นทุกข์เนี่ยโอ้มันเหมือนก็ตกนรกอะมันดูเหมือนเวลามันผ่านไปช้าเหลือเกินสิ่งสําคัญก็คือว่าการที่เรารู้ว่ามันมีโอกาสที่คนเราตายแล้วไปอยู่ในอันตราภพเนี่ยมันจะช่วย เราย่างไรคะความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก็ทางที่แบสก็ใช้บอกไงว่าเป็นช่วงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องอย่างเช่นคนที่ยังอยู่ก็อย่าไปร้องไห้เสียใจมากใช่ไหมเพราะมีญาณเขารับรู้ได้เดี๋ยวก็เห็นแล้วเดี๋ยวก็จะไปไม่ดีใช่ไหมหรือว่าอุทิศสงสา์ให้เขาหรือว่าสวดมนต์ให้เขาถ้าเขามีญาณวิถีรับรู้ได้เขาก็จะมีสติน้อมจิตเป็นญุศลไปสู่สุกติได้ ประโยชน์มันมีตรงนี้เพราะนั้นไอาการทํางานศพเนี่ยเขาก็เลยมีประโยชน์สําหรับคนตายด้วยไม่ใช่มีประโยชน์สาหรับคนเป็นซึ่งรวมถึงว่าถ้าเรายังไม่ได้แบบบอกลาไม่ได้ทําอะไรให้เขาที่เคยรับปากไว้เนี่ยก็อาจจะใช้ช่วงเวลาในอันตรภพเนี่ยทาให้เขาได้ทําให้เขาได้หรือว่าให้เขารับรู้มันมีมันมัมี <c oughs> เคสนหนึ่งนะเป็นอายุประปดสิบนะแกก็เป็ น, ปปร 8, 8, 8, 10, นปโรคหัวใจแล้วแกก็ไปผ่าตัดยังไงไม่ทราบ ก็ทําท่าจะดีแล้วกลับไปบ้านเพราะว่านอนอยู่คืนนึงเสร็จแล้วแกก็ตายหมดลมในคืนนั่นแหละแล้วก็ช่วงที่ทํางานศพเนี่ยนะก็คือทุกคนก็บอกเออแกตายดีเห็นไหมไปหลับไปเลยแต่ว่าตอนงานศพเนี่ยก็มีเหมือนก็นมีเพื่อนของแกคนนึงเนี่ยอายุน้อยหน่อยนะก็เหมือนกับว่าเหมือนกับผีเข้ากันนะแล้วก็ร้องโฮมร้องไห้ น้ำเสียงฟังน้ำเสียงหรืออะไรเนี่ยมันมือนก็นว่าคนตายมาเข้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยนอนตายไม่ดีเลยไม่ได้สั่งเสียนระ้องห่มร้องไห้แต่สิวแล้วไม่ได้สั่งเสียนงะียงเขาประมาทมากนะขณาดผ่าตัดแล้วยังไม่สั่งเสียงเนะี่ยก็สมควรลนะค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาคะประเด็นของช่วงเวลานั้นคือให้ไปหาที่เกิดเหรอคะเวลาเวลาแกลบแกลบที่ว่านะคะสี่ิบเก้าวัน น, นนะคะเอาคือถูกไล่เนยถูกแรงกรรมมันไล่ให้ต้องวิ่งหนีคือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเนื่องเมื่อเมื่อเมื่อยังมีมมกรรมอยู่มันต้องไปเกิดใช่ไหมแต่ว่ามันจะไปไหนอ่ะใช่เออ แรงกรรมกรรมแรงกรรมนี่มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วแต่ว่ามันจะเหมือนกับเขาว่ามันเหมือนกับมันกโหเหมือนคนที่ถูกสัตว์ไล่เนี่ยันีกรรมชั่วมันไล่มาใช่ไหมเพราะไอ้กรรมกรรมที่ทำไว้เนี่ยที่ไม่ดีก็มีรวมทั้งความตื่นตระหนกตกใจในช่วงภาวะทบาดโด ก, ก็จะหนีเหมือนก็หนีหนีสัตว์เพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราไปเข้าใจว่าภพเนี่ยจะเป็นที่หลบไภัยได้อวิชชาแท้ๆหรือความหลงทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้ใช่ไว่าภพเนี่ยไปเกิดไม่ดีใช่ แต่พอถึงตอนนั้นนะวิ่งไล่ล่าหาพบเกิดหน้ากันจ้าระวันเลยลเพราะว่ามันมันหนีไงแล้วเขาพูดถึงว่าเลือกเลือกยังไงไหะคะเลือก<ข>ดีเลือกยังไงมีอันนี้เนี่ยในในหนังสือเรื่องประตูสู่พาะหมายจะบอกเลยว่าที่ไปเกิดเป็นสัตว์ไปเป็นมนุษย์ไปเป็นไปเป็นเช่นไปเห็นถ้ำเนี่ยหเห็นถ้ำเนี่ยรีบเข้าไปเลยใช่ไเอ่อ <laughs> เดลชานภูมิอันนี้ไปอ่านในหนังสือพระอาจารย์ได้นะคะที่หนังสือที่แปลมาชื่อประตูสู่สภาวะใหม่มันหนีไปใช่ไหมมันเห็นอะไรมันก็เข้าไปก่อนเห็นรู้เข้ารู้ใช่ไหมก็รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่มันสมตุกติต้องไม่หนีต้องไม่วิ่งไม่วิ่งแล้วก็เสร็จมันเลยมึงไฟไหม้รีบเ็นก็เสร็จแบกตุ่มอะไร ปกติทั่วทไปทั่วทไปตายแบบไหนก็ตามก็ก็ถ้ายังมีอ่ะก็ใช่ไงถ้ามีแต่ถ้ามีสติใช่ไหมมันก็จะไม่วิ่งหนีอ่ะมันไม่ตกใจอจะจะเลือกจะเลือกว่าจะพบไหนหรือว่าถ้ามีสติพอบรรลุธรรมได้เลยที่เบตเขาเชื่ออย่างนั้นค่ะไปปุ๊บลยใช่ไหมก็เป็นไปได้นะเออ อันนี้ก็ไม่แน่ค่ะยังบอกไม่ได้ <c oughs> ค่ะค่ะคงมีเวลาไม่มากพอนะคะยังมีประเด็นสุดท้ายของท่านจิ๋วที่ว่าเราจะสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องความตายได้ยังไงคือประมาณนี้ก็ไม่มีประสบการณ์นะแต่ว่าเท่าที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เข้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือหลังจากที่ก็ทกํากิจกรรมเนี้แล้วเพื่อนของตายสงบรุ่นที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็รุ่นที่สองเขาก็มาใหม่ <c oughs> เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาทําเตรียมตัวตายเนี่ยเขาคิดถึงลูกมาก แล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อกลับไปบ้านเขาจะคุยเรื่องนี้กับลูกใช่ไหมแล้วเขาก็เขาเขาหกาสคุยเรื่องนี้กับลูกเนี่ยตัวเล็กๆประมาณสิบขวดสิบเอดขวดเนี่ยแล้วเขาคุยให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ถ้าเกิดแม่จะไปหรือพ่อจะไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเขาก็สอนมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนี่ยมีตัวอย่างไหมคะลวงพี่มีตัวอย่างไหยคะว่าเอ๊จะพูดยังไงคือถ้าถ้าถ้าแบบสิบขวสบเอดขวดเนี่ยมันก็คุยได้ว่ามันเนี่ยคนหนึ่งเขาก็ตาย ใช่ไหมใครก็ตายแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยแม่ก็คงจะไม่สามารถที่จะอยู่ไปจนคําฟ้าได้ mm hmm. คือเด็กเนี่ย mm hmm. เขาเข า, เขายอมรับได้แล้วจื mm hmm. วดควรสวยควรก็ต้องรู้ว่าต้องตาย mm hmm. แต่ว่าไม่เคยคิดไม่เคยนึก mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่การที่แต่การพูดให้เขารู้สึกว่าความตายของพ่อนี่เป็นเรื่องธรรมดาความตายของแม่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแล้วลูกในสูดเนี่ยลูกก็ต้องโตก็ต้องพึ่งตัวเอง mm hmm. แม่ไม่สามารถจะอยู่คําฟ้าเพื่อดูแลลูกได้ลูกลูกจะต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองใช่ไหม แล้วก็ถ้าลูกพึ่งตัวเองได้เนี่ยแม่ก็จะสบายใจถึงเวลาที่แม่ไปแม่ก็ไปอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยคือก็พูดอย่างเงี้ยเพื่อทาให้เด็กเขาสึกว่าเขาจะเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับอยู่ได้ตัวเขาเองให้ได้ใช่ไหมแล้วก็เวลาเวลาแม่ไม่อยู่นะะ่ก็ช่วยดูแลน้องหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปมันไม่มีใครดูแลน้องนะนะแม่ก็ได้ไปอย่างสบายใจก็พูดอย่างเงี้ยเด็กก็จะเริ่มมีความรับผิดชอบต่อต่อครอบครัวต่อการต่อพี่น้อง แต่อันนี้เด็กที่ต่ำกว่านั้นเนี่ยก็มีคนแนะนําอันนี้ไม่ไม่ใช่เกิดจากคือก็ก็เล่าพูดถึงทําพูดถึงว่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้เมื่อมันเมื่อมันมันก็มีแก่แล้วเมื่อต้นไม้แก่มันก็ตายใช่ไหมแม่ก็เหมือนกันนะเมื่อแก่ก็ต้องตายเดี๋ยกก็จะถามว่าทำไมต้นไม้บางชนิดมันไม่แก่แล้วมันมันไม่มันไม่แก่ตายมันนะไม่ตายก่อนแก่ก็ได้ก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคตายหรือว่าถูกคนมาต้นบางต้นก็ถูกถูกคนล้มตาย บางทีคนเราก็เหมือนอย่างนี้เหมือนกันนะพระอานารยจะแก่ตายก็ถูกก็ถูกมีอันเป็นไปนี่นก็เอาธรรมชาติมาสอนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ธรรมชาติก็อาจจะไม่ค่อยได้ได้เข้าใจไซเคิลของธรรมชาติเห็นเรื่ที่พระอาจารย์เคยเล่าเรื่องอะไรดักแด้นี่อย่างนี้จะช่วยไหมคะดักแด่นะี่มันเป็นเรื่องการดักแด่ที่การเปนติดเสือ้อ<ะ>ใช่ไหมอ๋อใช่คือก็บอกว่าดักแด่เนี่ยเวลา ดักแด้เนี่ยมันเวลามันกลายเป็นผีเสื้อเนี่ยนะมันก็เป็นแค่เปลี่ยนสภาพไม่ได้แปลว่าดักแด้มันตายมันก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสภาพบางทีการที่การที่พ่อหรือแม่นะตายเนี่ยมันก็เหมือนกับดักแด้ก็คือว่าก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นผีเสือ้อบนบินได้ไปสู่สรีอะไรเนี่ยกอ็อธิบายแบบนี้ว่าความตายเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพความเศร้าเสียใจก็จะน้อยลง คงประมาทค่ะเพราะว่ามียังมีอีกคำถามหนึ่งที่ทุกคนฝากถามมาเยอะมากเลยค่ะนอกลอมนะคะถามว่าโครงการาเชิญความใายอย่างสงบนี่ตรงที่ทำอะไร <c oughs> แล้วก็มีความตั้งใจอย่างไรโครงการอันนี้ค่ะคือมันเป็นโครงการของเครือข่ายพฤตธิกานะฮะทำหลายอย่างทำทั้งผลิตหนังสือจัดอบรมแล้วก็มีการทา กิจอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยสุ้ยก็ดูแลเรื่องนี้จริงสุ้ยเป็นผเป็นเลีผู้จัดจา ก, การโครงการนี้เลยนะของโครงการทั้งหมดนะซึ่งอธิบายได้ดีกว่าแต่ไอเดียคือว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคนมีความทุกข์มากที่คนรักต้องตายที่ตัวเองอยากจะใกล้ตายแล้วก็ความทุกข์นี่เองเนี่ยความกลัวเกิดจากความกลัวและความกลัวนี่ก็ทําให้เอ่อ เกิดปัญหาต่งตางๆตามมาทำให้คนพยายามยุยชีวิตทำให้เกิดปัญหาในโรงพยาบาลทำให้สูญเสียทรัพยากรไปกับการทุ่มเทเทคโนโลยีเพื่อเพื่อยุยชีวิตทำให้คนปฏิเสธที่จะดูแลรักษากันเองเพราะว่าคิดว่าต้องตายในห้อง icu หรือตายในโรงพยาบาลเท่านั้นแล้วก็มอในแง่หนึ่ง อันนี้เป็นเรื่องของการกลัวตายแต่มองมนแง่อักกนหนึ่งเนี่ยที่มันกลัวตายเพราะเราลืมเราลืมที่ถึงความตายและพอเราลืมคิดถึงความตายเนี่ยเราก็โลภเราก็ตักตวงทรัพย์สมบัติแล้วก็ตักตวงสร้ญญางชื่อเสียงที่สังคมบุว่วายทุกวันนี้ก็เพราะว่าความคิดแบบนี้คือการที่ไม่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองสัตว์นิยมต้องตายไม่รู้ว่ตักตัวมาทําไมจากสองประเด็นเนี่ยการที่คนพยายามที่จะยืดชีวิตเพื่อที่จะไม่ตายกับการที่เราหลงลืมตายเนี่ยหลงลืมว่าเราจะตายเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาในสังคมมาก ก็เลยพยายามก็เลยคิดว่าเนี่ยไอ้โครงการเฉลงความตายจะทําให้เกิดชาตสังกติที่ถูกต้องเกี่ยวความตายรวมทั้งพัฒนาทักษะเพื่อให้สามารถที่จะรับมือความตายคือเผชิญความตา ย, ยางสงบได้ก็งานก็คืองานอบรมนะทีแรกก็คิดว่าทําเล่นๆเป็นไซส์าลายตอนนี้มันจะกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังขึ้นมาแล้วเพราะปีนี้ทั้งปีประมาณ1ิ19ครั้งนะนี่แค่ต้นปีนะยังไม่มีอะไรที่แจงมข้นมาอีกเพราะฉะนั้น ก็กลายเป็นเรื่องที่คนสนใจมากขึ้นทั้งโรงพยาบาลทั้งคนทั่วไปนักปฏิบัติธรรมก็ก็กําลังคิดอยู่ว่าปีหน้าจะทําอย่างไรเพราะว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ทําไม่เหยียบเบรกมันก็จะบานไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้อยู่ในฝันเป็นรูปลักษณะที่แรกเราคิดว้าจะทำไปเรื่นยตอนนี้มันลักษณะว่าตั้งรับแล้วเพราะคนดีมานมากแต่รู้สึกว่าการทําอย่างนี้เนี่ยได้ช่วยให้คนเนี่ยมีความมั่นใจที่จะเตรียมตัวตายได้มากขึ้นแล้วก็ เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยได้เอาเรื่องอย่างนี้เนี่ยมาใช้ในการดําเนินชีวิตคือไม่ใช่แค่เพื่อเตรียมตัวจะไปสําหรับการตายในบไปข้างหน้าแต่ว่าหลายคนเนี่ยเอามาใช้ในการดําเนินชีวิตเอาเห็นคุณค่าของธรรมะหลายคนนี่ไม่สนใจธรรมะแต่พอได้ไ ด, ได้ได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วก็ชีวิตเขาดีขึ้นชีวิตเขเปลี่ยนแปลงหลายคนไปขอขอมาข อ, อาโหดศีกับกับพ่อแม่หรือว่ากับคนที่เคยเจ็บช้ำน้ําใจ คือเราสู้ว่าชีวิตคนมันดีขึ้นเวลาเขาเขาเข า, เขาคิดจริงจังเรื่องพวกนี้ก็เลยเชื่อว่านี้เป็นวิธีนึงในการที่จะเอาธรรมะเข้าสู่สังคมโดยผ่านความ ค, <ำ S 1> ความกลัวตายค่ะ <c oughs> ขยายความว่าอาารเพิ่มนิดนึงค่ะว่าพอตอนนี้คนสนใจเริ่มเยอะขึ้นเนี่ย mm. ก็เลยคิดว่า เ, เราคงจะต้องหาคนที่จะไปช่วยกระจายหรือว่าทําความเข้าใจเรื่องนี้กับสังคมแทนพวกเราด้วยนะคะ mm. ก็ยังคิดถึงพระภิกษุที่สนใจเรื่องนี้คิดถึงแม่ชีคิดถึงผู้ปฏิบัติธรรมบางคนหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะที่เขาสนใจแล้วก็เขาอยากมีโอกาสมาเข้าอบรมทํานองนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราจะได้ทุนจากสสส นะคะเขาเพิ่งมาไม่ให้ทุนเราปีนี้ยังไม่ได้ทุนนะคะซึ่งก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะ ส, สนับสนุนคกลุม่มคนเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยก็ต้องมาเสียสตังะคะ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กำลังอยู่ในช่วงเขียนโครงการอยู่ค่ะแล้วก็ภระีบอกว่าตอนนี้อาจารย์ชิงชัยอยู่สส ส, สก็อาจจะลองลองออกแรงดูอีกสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะก็กําลังอยู่ในขั้นของการที่เราจะวางโครงโครงการว่าไ อ, อ้ที่เราตั้งใจจะทำเนี่ยเราจะขยับยังไงแล้วก็จะทางส ส, สจะสนับสนุนยังไงได้บ้างนะคะแต่ก็อันนี้ก็ยังเป็นแค่ไอเดียอยู่นะคะว่า เ, เขาอาจจะสนับสนุนค่ะ เห็นความแตกต่างไหมคะในการในการรับในการรีสปอนส์จากทางการแพทย์กับรีสปอนส์จากพระสงฆ์ในเรื่องนี้คะ่ะ uh, ที่ที่เราทําไปเท่าไหร่คะท่านทำไปปี2ปีเนี่ยนะคะรีสปอนส์จากคราวาตกับทางการแพทย์กับทางสงฆ์นี่ต่างกันยังไงคะ<า>อยาก ท, ยทราบบุคลากรทางแพทย์พยาบาลเยอะมากพยาบาลนี้ให้วความสนใจเยอะมากเพราะเขาเจอเคสเยอะ <c oughs> แต่แต่แตแตวเวลาเขาเข้ามาเรีแอคชั่นเขาหรือหรือการโต้อตอบของเขาหรือข้อสงสัยหรือคําถามที่เขามีกับกับคารวาสกับพระสงฆ์นี่ต่างกันยังไงสนใจอยากจะอยากจะอยากจะเขา้า อ, อยากจะรีแอคชั่น <reaction. S 3> อา จ, จสงสัยน้อยพระสงฆ์จร่งสนใจน้อยกว่าสนใจน้อยกว่าสงสัยน้อยกว่าและสนใจสนใจน้อยกว่าเพราะหน้าที่ขอพระสงฆ์คือว่าหลังตายแล้วส่วนใหญ่ไปเข้าใจอย่างนั้น ก่อนตายก็หน้าที่ของพระไอของขหมอพยาบาลไปเข้าใจอย่างนั้นนะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนก็มีแต่ว่าเขาสูว่ามันเขอแต่ว่าเขาคิดว่าก็ทําก็ศึกษาแบบนี้ด้วยตัวเองก็มีอยู่แต่ว่าเอโดยทั่วไปก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สนใจมากขึ้นต้นน<า>เรียนนโยบายเลย ก็นี่อย่างที่เราไปเห็นที่นาคก่าพิงก์อะคะ่ะก็เขาก็ตือนลือลน้นพอรู้วาพระอาจารย์มาก็อยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาเข้าใจนะค ะ, ะไม่ค่อยตา<ร>่างะหไม่ค่อยบุคลากรไม่โดยใหญ่จะมีมจะพูดเรื่องจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่จะมีเรื่องเทคนิคมาเช่นว่าเออถ้าสมองตายแล้วเนี่ยจะปลดเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อวานยุทธาภิษฐ์แบบนี้หรือว่าจะยืดชีวิตกันไม่ได้แค่ไหนอย่างนี้บาดไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ พอดีเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องไปฉันเนาะก็เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะว่าถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยมันมีเว็บไซต์ของเครือข่ายพู้พิการนะคะเข้าไปที่ w w w b นะคะ b ูตเน็ตบูดนะคะเค่ะเข้าไปดูรายละเอียดที่นู่นนะคะซึ่งจะมีทั้งเรื่องงานอาสาสมัครงานอบรมด้วยแล้วก็งานอื่นๆงานเผยแพร่อะไรต่างๆบทความของพระอาจารย์ด้วยนะคะ budnet.info ค่ะนะคะส่วนเสมสิขาลายเนี่ยก็เป็นองค์กรที่อยู่ในเป็นภาคีร่วมกันซึ่งเครือข่ า, ขายผู้ดีการเนี่ยเราจะมี9องค์กรภาคีนะคะเสมสิขาลายก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เราทํางานร่วมกันโดยเฉพาะงานเรื่องงานอบรมเพราะว่าเสมสิขาลายเนี่ยก็จะเป็น อ, องค์กรที่ทําเรื่องการศึกษาทางเลือกก็จะมีหลักสูตรจํานวนมากนะคะอย่างเช่นชีวิตในอดตมกติที่พระอาจารย์ว่าเรื่องโครงการบันเทิงความตายอย่างสงบเรื่องพลังกลุ่มและความสุขเรื่องภาวะผู้นําเรื่องการสื่อสารอย่างสันติมีหลายคอร์สมากค่ะ ก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เสมสิกขาไหลนะคะเดี๋ยวจะจดไว้ให้ก็ได้ค่ะนะคะส่วนส่วนในช่วงนี้คิดว่าค่ะเดี๋ยวจะขึ้นกระดานให้ค่ะนะคะเราะั้นก็สุดท้ายจริงๆค่ะอยากจะพระศรีมีอะไรเล็กน้อยแล้วก็จะขอให้พระอาจารย์ให้ศีลให้พรเราแล้วกันนะค ะ, คะมีแต่ไม่ยังไม่ทราบเมื่อไหร่ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะ แต่ว่าถ้ามีก็คงจะจะหินกับเดิมและอาจจะโหดกับเดิมด้วย